بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى จะขอเนื้อที่น้องยอนไปอายะที่สามอีกนิดหนึ่งเพราะมีพี่น้องได้เตือนผมว่าอายะที่สนี่ไม่เดาที่บายที่จริงแล้ว ผมได้เล่าที่ไปที่มาของอายะฮ์ที่สี่แล้วก็อธิบายไปคร่าวๆเป็นภาษาไทยจะได้เข้าไปอ่านาไปอ่านาทั้งภาพกุรอานแล้วก็ภาษาภาษาอับแล้วก็แเปเ็นภาษาไทยแล้วก็น่าจะพลาดไปไม่ได้อ่าน้ะขออนุญาย้อนย้อนไปอ่านอีกรอบหนึ่งเราจะได้ไม่ไม่ไม่ถือว่าตกหล่นนะ ก็ น, นย้อนมาทีอายะที่สเราจะได้จะได้เข้าใจย้อนหลังนิดนึงนะครับอายะที่สก็เป็นการย้ําของอายะที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยเกี่ยวกับการประกาศการตัดข้อผูกพันใดๆระหว่างท่านนพิซซอลลัลอิสลามในฐานะที่เป็นผู้ดํารงอํานาจของของรัฐอิสลามรัฐใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัดข้อผูกพันหรือสัญญาใดๆที่เคยเกิดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เพื่อปรับ โครงสร้างสังคมใหม่เร al ียกว่าเซตเซตอัพใหม่ซึ่งการประกาศนี้ท่านอับดุลลอฮฺสั่งให้ท่านอูบักรุนกลางีบนายบิฏาเไปประกาศในปีฮัจทิกาอีจุรัสกกระตัซึ่งปีนั้นนบีไม่ได้ไปแต่นบีให้ให้ไปอ่านอช่วงต้นๆของสุรตะโตบะที่มีการประกาศ ข้อผูกพันใดๆกับผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ผู้ที่ตั้งภากีกับลัทธิสุภาพนาวดาและเพื่ อ, อได้วางระบบใหม่ของสังคมมุสลิมในคาบสมุทรอาหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างมักกะที่จะมีการประกอบศาสน ก, กิจพิเศษมาทุกปีปีที่ปีที่สิบวิษณุสกรัฐนปีก็วางแผนจะไปทำฮัตแต่เนื่องจากว่ายังมีมุชลิมที่เขายังบูชาเจวิตต่างว่าไปไหนก็พา ใช้ไอถุงก็ไปด้วยง่งแล้วก็มีพิธีการแก้ผ้าพูดง่ายๆนะครับตอนตัววฟัฟนี่ก็เลือยกายเลยซึ่งไม่เหมาะสำหรับนบีที่ดำรงตำแหน่งเป็นรอซูลเป็นศาสนาของพระองค์นี่ที่จะประกอบพิธีสำคัญด้านศาสนาโดยที่ยังมีพฤติกรรมเหล่านี้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้จึงให้โอกาสคนที่ยังมีพฤติกรรมดังเดิมนี่ ให้เปลี่ยนแปเปลี่ยนแปลงซะปีหน้าไม่มีแล้วนะไม่ใช่ว่าออกระเบียบออกกฎหมายช่วงมืดๆเช้าอีกวันหนึ่งจับเลยทนายวิให้โอกาสปีหนึ่งนะประกาศประกาศให้อาลับได้ทราบโดยแล้วให้โอกาสปีหนึ่งให้รับทราบจะได้เข้าใจว่าซาอุลมิลลอฮิวะรษูลีและน้าซิอุมะฮัจญิลอะควะรีเป็นการประกาศจากอัลลอฮ ราระลของพระองค์แด่ประชาชนทั้งหลายในวันฮัจจ์อันยิ่งใหญ่วันฮัจจ์อักบาร์เราก็เขาเกวาคืคือวันที่สิคือเย่หมุนนาร์เหทุสนาของชาวบ้านส่วนมากคนละมาส่วนมากเรียกว่าวันที่สินี่คือเย่มุนฮัจจ์อักบาร์ฮัจจ์อักบาร์ฮัจจ์ที่ยิ่งใหญ่ก็อมีอักบรมนีสอแลว่าเล็กอักว่ใหญ่ใหญ่ที่สุด พี่ใ่สุดงว่ามีเล็กกว่าใช่ต้องปาอันนี้พี่ใหญ่อนี้อันนี้น้องอคือถ้ามีพี่ก็ต้องเป็นน้องดิคือจะเป็นพี่ทั้งสองคนน่ะคนนี้พี่คนนี้แลวพี่พี่คนนี้ไม่ได้ฮัจญ์อักบาร์นี่ก็ต้องมีหัจญ์อัรัจญ์อัรนี่ก็อลมา์ก็มีหลายทศนะนะแต่ทศนะที่ส่วนมากเนี่ย วันฮจอัจประกอบก็คือยามหนึ่งนะฮะวันดิรี่ถักว่าฮจเพราะหลายเหตุผลนะขาบอกว่าเพราะถ้าวันารฟะนี่ใช่เป็นกิจกรรมฮจใหญ่ใหญ่เพราะท่านนายบอกว่าฮจอารฟะกิจการฮจโดยรวมมันก็คือการปรากฏตัวที่ที่อารฟะแต่สมบูรณ์ยังยังไม่สมบูรณ์ มันต้องยังมีเชือดมีความเห็นมีตะวับอซึงทั้งหมดนี้มันจะเกิดวันที่10เยามุนาหแล้วก็เรียกวันอารฟานียาวมุฮัจญ์แล้วก็ยมุัจญ์กนีคือนทบอารฟาันีกาซึ่งมีหลายทถนะอื่นๆนะครับไม่ไม่ต้องมารบกวนพี่น้องเรื่องนี้ก็แค่อธิบายวาเออดมีคสงสัยว่าเอายาวมุฮัจญ์เลกกวาซึ่งลนับ้วนเก็อวา آه ق <تصفيق> ل ما صن ما هو غير ن ع ر ف ه ل ك أ ت ي بعلاقة تري أ و حج أكبرني ث ا ن ع ر ف ه و ل ن و ن ال 10 نيوان إيد نير ن قبل ل ن سبب ชาว بان كوندي حج أكبرني أني شايل ن ا ن ي ماي ت و ن هاي هاي علية نبي طالب ل ق أو مجرد ببركات أ ذ ا ن ب ر ك ا ت كا ประชาชน تغليني ون حج อันยิ่งใหญ่ว่าแท้จริงอัลลอ์นั่นอันลลอฮ์ส่ง พ, นพ้นข้อผูกพันบรีอุนบรีไม่มีขอ้อผูกพันใดๆล้วมิในมุชริกีนะจากมุชริกทั้งหลายมุชริกทั้งหลายคือผมลืมวิจารณิดนึงนะครับว่าถ้าจะอธิบายเป็นภาษาไทยนี่คือนี่คือจุดอ่อนของแปลของนักเรียนก่อับ ทัศัพท์เขาเยอะทับศัพท์หมายถึงว่ไม่แปลงอะมุชริกินนะมุชริกคือมุชริกีนเนี่ยพระอุพ์เอกพจน์คือมุชริกเขาก็เลยเอาคำว่ามุชริกแล้วก็ทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยคือพระอุพศเปแล้วแต่มุชริกล่ะมันก็ยังไม่เคลียแต่คือในเมื่อเอาทั้งหลายก็แสดงว่ามันเหมือนกัมกึงอ่าเอาห้าสิบห้าสิบแต่ในใน คำแปลของนักเรียนเก่าอาหรับเนี่ยถึงทุกวันนี้นะ่ะก็ยังไม่มีดัชนีทับศัพท์คือคําที่ใช้บ่อยอย่ะเราต้องสมมุติฐานว่าคนที่มาอ่านเนี่ยบางทีก็คนพี่น้องต่างศาสนิกเยอะหรือพี่น้องที่รับอิสลามใหม่แล้วก็ไม่มีไ ม, มไม่มีพื้นฐานมันมุชลิมอะไรอะมุชลิม ก, ก็ต้องมีดัชนีอ่าในไม่มีในเมื่อไม่มีดัชนีแล้วเนี่ยก็สมควรที่จะแปลเลย มุสลิมว่าูตั้งภาคีเขาจะได้เขาจะกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลับไปดูมุชลิมว่าอะความหมายกุณอ่านที่อาจารย์ไอบริยมกุระชีอาจารย์เดเรกเนี่ยในทมเนี่ยเขาจะใช้คําทับศัพท์เหมือนกันนะแต่เขาจะมีดัชนีดัชนีทับศัพท์ทั้งหลายนี่ก็กลับไปดูได้อะไรที่เขาไม่ได้แปลนะไม่ได้แปลนะก็จะก็จะมีที่กลับไปดูได้ซึ่งผมเห็นว่าถ้ากว่าจะแปลเนี่ยให้ คนทั่วไปเนี่ยเราต้องตั้งสนนิฐานไว้ก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีพื้นฐานถูกต้องไหมไม่ใช่ทุกคนที่เรียนฟอร์ดูอินไม่ทุกคนที่มีความรู้ทั่วไปกับมุฟรดาดัหรือคือคำศัพท์ทั่วไปในด้านภาษาเรบโดยเฉพาะในด้านศาสนาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีโดยทั่วไปแล้วก็ยังเป็นเป็นทับศัพท์ที่แปลกๆกันนะต้องแสดงออก เขาทำสาวที่แปลกถ้ามุชริกินนะก็มุชริกินไปเลยแต่นี้มุชลิกทั้งหลายอ่ามันก็มันก็มีว่ามีแปลครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่แปลครึ่งหนึ่งอะไรประมาณเนี้อัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์ละระซูลเนี่ยส่งพ้นข้อผูกพันจากมุชริกทั้งหลายวะระซูลลแล้วระซูลของพระองค์ก็พ้นข้อผูกพันนั้นด้วยฟ้อินทุบตุฟนฟาหัวไครรุลละกุม หากพวกเจ้าสำนึกผิดและกลับตัวก็คือได้รับอิสลามเนี่ยฟะหัวใอยรุนละกุมมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับพวกเจ้าอินตะวันเลยตุมหากพวกเจ้าผินหลังให้คือพินหลังให้คําเรียกร้องคําเชิญชวนฝ่าลมูก็พึงรู้เถิดว่าแต่จริงพวกเจ้านั้นอันนกุมไหรูมอฮจิซิลละมิใช่ผู้ที่จะทําให้อลลอฮ์หมดความสามารถได้ บมความสามารถหมายถึงว่าในการที่จะลงโทษพวกเจ้าแต่ฉิมหมายถึงว่ามีอิสระก็จริงมีอิสระก็จริงในการที่จะเลือกศาสนาแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าพ้นจากการเรียกร้องเชิญชวนแสดงว่าอัลลอฮจะลงโทษพวกเจ้าไม่ได้อัลลอฮก็ยังคงมีเดชานุภาพ ที่จะจัดการพวกเจ้าในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าอันนี้เป็นข้อเตือนสำหรับสาหรับบรรดาคนเคยตัวแม้ว่าจะเป็นผู้ปฏิสัทธาหรือผู้ศรัทธาที่ทำความชั่วเรื่อยเปื่อยจนรู้สึกรู้สึกว่าเออมันมันเซฟตี้และทาทำแบบทาแบบไม่ไม่ไม่ไมเกรงกลัวไม่ ไม่รู้สึกกังวลใจละอันนี้เนะี่ยที่ที่อัลลอฮฺสุลต่านเราได้เตือนสนสตเ ด, ดริจูมเป็นไอุเาลามูที่จริงแล้วที่อัลลอปล่อยเนี่ยเราต้องมองถึงพระเมตตาของพระองค์อันนี้อันนี้อันนี้มองเข้าข้างตัวเราเองนะว่าอัลลอฮฺเมตตาเราแต่ถ้าเรามองแบบฉลาดเนี่ยทำไมไม่คิดว่าอัลลอฮประวิงเวลาให้เรา เราให้ให้โอกาสจะได้ปรับเนะียถ้าไม่ปรับนี่มันจะมีเราจะจัดการอีกบทหนึ่งแล้วนะไม่ใช่บทประวิงนะไม่ใช่บทเมตตาแล้วนะ่าจะมีอีกบทหนึง่งถ้าแบบคิดแบบฉลาดนะไงคิดแบบเข้าเข้าข้างตัวเองตลอดนะัลลลล่นนะเราเมตตาโดนแล้วก็ให้อภัยเอเรื่องเล็กนะเรายังเรายังเป็นมุสลิมอยู่ามมีอักิดาถูกต้องนะต่อเมื่ออักิดาถูกต้องนะีนะไม่ต้องกลัวผมไแบบ ฟังคำนี้เนะี่ยผู้รู้ถ้ามีผู้รู้พูดแบบนี้นะแต่มันก็ได้ยินจริงอะ่ะถ้ามีอากีดนั่ถูกต้องพี่น้องไม่ต้องกลัวนีน่นได้ยินมาแล้วอะ่ะเขาเผยแพร่ในสังคมอะ่ะพูดทําให้คนแบบว่าไม่ไม่ใครที่ใครที่มีความเยียมเกรงต่ออัลลอฮ์ใครที่มีความระมัดระวังในการทําบาปนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันมันหายไปหมดแล้วแล้วก็คำว่าอากิดนั่นถูกต้องเนี่ยมันก็หลัว ม, มากนะ อะไรอยากอะไรถูกต like ้องเนี่ยอะไรอ่ะอาคีนั่ถูกต้องนี่คือฉันฟังบิมบาสบิมโอไซมีนอารบานีเนี่ยชาอาคีนัถูกต้องแล้วแค่นี้ใช่เหรออาคีน so ั่นถูกต้องนี่ฉันฉันฟังอาจารย์คนนี้ฉันฟังช่องนี้ฉันถือว่าอาคีนัถูกต้องแล้วเรียบร้อยแล้วฉันสังกัดสถาบันนี้แล้วก็ไปออกร้านงานนี้งานของเขานี่แสดงว่าชาอาคีนั่นถูกต้องแต่พอไปถามเขาอ่ะหนึ่สองสามอาคีนั่คืออะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลย แล้วก็สรุปได้ไงว่าท่านมีอากีิได้ที่ถูกต้องมันเป็นคำที่หลวมมากคำาหลอกลวงอ่ะหลอกลวงหลอกลวงหลอกลวงประชาชนให้เขา้าให้เข้าใจผิดผิดถูกถูนี่แหละเรื่องการศาสนาทั้งทังที่อัลลอสุภาหน้าวตาลก็พูดเรื่องนี้กับคนที่ยังยังไม่ได้มีโอกาสรับอิสลามเลยนะเขายัางอยู่ในช่วงที่อัลลอให้โอกาสเขาอยู่ เราก็เราก็ยังเตือนนะอย่าคิดว่าเราจะหมดความสามารถนะแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาจะต้องมีความตระหนักมากกว่าคนที่ยังไม่ได้ศรัทธาร้อยเอร์เ็นนะขณะคนที่ยังไม่ได้ศรัทธารอยเอรเนต์อาบอกว่าอย่านะ่อย่าคิดว่าพวกเจ้านี่ปลอดภัยแล้วเราจะไม่สามารถลงโทษพวกเจ้านะผู้ศรัทธานี่ก็ต้องยิ่งตรหนักยิ่งมีความมีแรงมากกว่าในเรื่องนี้ ตัดประเด็นคำว่าอะคีดได้ถูกต้องไม่ถูกต้องนี่เพราะหน้าที่ของทุกคนเนี่ยต้องศึกษาเรียนว่าอะคิดได้ให้ให้มันถูกต้องแต่มันมันคนละประเด็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความความเยี่ยมเกรงต่อหลักสูตรหน้าวาระอะไรที่ต้องมีถึงแม้ว่าการศึกษาอะคิดได้เนี่ยยังยังไม่ถึงที่สุดก็ได้เราสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราเข้าคณะอะคิดได้อยู่ปีหนึ่ง อากิได้อบเยี่ยงหรือต้องต้องเรียนสี่ปีหรือต้องจบโทต้องจบเอกจะได้ถือว่าอากีได้ครบต้นสูงวัไม่ใช่มันไม่ถึงขนาดนั้นไงตะกวัวก็เหมือนกันอ๋เราเราต้องขนาดไหนจะได้ถือว่าตะตะวคือทุกอย่างมันต้องมีพื้นฐานของมันอัลบชิริลลดี น, ะนั่นก็ฟารูบิอาซาบอเลมและจงแจ้งข่าวดี น, นี่เป็นการเย้ยนะสําหรับคนที่ไม่สนใจคนที่คนที่ไม่ให้ความสําคัญกับ บัญชาของรัสานาลการเชิญชวนรัสถานธรรมดาเหมือนเราบอกว่าอย่าไปอย่าไปตรงูนมันอันตรายแต่ถ้าไปเนี่ยเดี๋ยวเจอดีนะภาษาภาษาถ้าถ้าจะไปเดี๋ยวเจอดีนะเจอดีดีจริงดีจริงป่ะดีจริงป่ะนี่เป็นการเยอะเนี่ว่าไปนี่เดี๋ยวเจออะไรที่มันสาหัสไง บัชเิลอดีนะถ้าไม่ไม่ยอมรับถ้าผิดหลังให้คำเชิญช่อัลล์เชิญชวนทั้งทีแล้วเนี่ยพระเจ้าของเจ้าเนี่เชิญชวนทั้งทีแล้วแล้วก็ไม่เอานี่นะก็ให้ให้มีข่าวดีแกบรรดาบูปฏิเสสัตยานี่ไงอัลลดีนะกัฟรุไม่ใช้ทับศัพท์กุฟาร์อัลลดีนะกัฟารุบรนดาบูปฏิเสียสัามะ บางทีบางทีถ้าไม่มีมาตรฐานสม่ําเสมอ น, มนี่มันก็จะมันก็จะทําให้คนอาจจะสับสนอค่าขอ ง, ของคําว่ามุชริกกับกาเฟสนี่มันก็ใกล้เคียงกันะแต่ทําไมทับศัพท์มุชริกแล้วกาเฟสไม่ไม่ทับศัพท์ บ, บ้างอะผมก็สังเกตนะคําแปลเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีทับศัพท์ควาว่ากาเฟสหรือกาเฟรีเนี่ย ไ, ไม่ไม่ทับศัพท์กาเฟสกาเฟรีเนี่ยก็ แปลทั้งหมดเลยผู้ปฏิสิทธิผ์ผู้ปฏิสตตาแก่บรรดาผู้ปฏิสธศรัทธาเหล่านั้นเถิดแจ้งข่าวดีนะด้วยอยากได้เป็นอลิมด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบพ้นขอบประกาศว่า AH, อ, นนะอัลลอะฮะฺพ้นข้อผูกพันนะอิลลัลเนี่ายไอ้ที่เรา ไม่ได้ไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้ลงลายละเอียดอิลลัลละดีนะอาฮ์ตุมินะลมุสลิมีพนข้อผูกพันใครที่เคยมีสัญญามีอะไรกับท่านนบีในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐอิสลามีนะประกาศว่ายกเลิกแล้วนะแล้วก็จะให้เวลาจะให้เวลาสี่เดือนอ้อัที่สองที่ผ่านไปแล้วไอ้ที่สองจะให้เวลาสี่เดือนจะได้พิจารณาตัวเองแต่การประกาศ ตัดข้อผูกพันพ้นข้อผูกพันเนี่ยจะมีการยกเว้นอิลัลลีนาอาฮตุมินันมุชลิคีนนอกจากอิละนอกจากอัลลัีนาอาฮตุมินันมุชริกีนบรนดาผูสกการะเจวดมุชลิคีนวงเล็บเผู้สักการะเจวตอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะผู้สกการะเจวเนี่ยมุสลิคีนทั้งนั้นที่มุสลิกีน มุสลิม ah ok ka ีความหมายกว้างกว่าผู also, ้สการจเวทก็มีใครกมุสริมตั้งภาคีเนี่ยก็มีอ ه ل ุลขิตาบด้วยก็เป็นมุสริมเลม يكن ا ل ذ ي วกอักิตามนี้ก็เป็นมุสรินและก็เป็นกาเรินด้วยแต่นี้เราเคยอธิบายแล้วเนี่ยระดับหนึ่งว่าจงที่อธิบายนี่ถูกต้องนะที่แปลเนี่ย ที่แปลว่าโจจองผู้สักการะเจวิตเนี่ยมุชลินก็คือเฉพาะอับดับที่สักการะเจวิตทําไม่พู้อัลลอฮ์ลิขิตาบนะยะฮูดและนซาอารทติ้งแม้ว่าเขาเป็นมุชริกเหมือนกันนะแต่อายันนี้ไม่เกี่ยวกับเขาจะมีอีกอายันหนึ่งเกี่ยวกับอัลลอ์ลิิบในส่วนอัตตาวบานี่ช่วงๆกลางๆถึงจะถึงก็จะอธิบายที่หนึ่งสาหรับคนเหล่านี้เนี่ย ที่พวกเจ้าได้ทําสัญญาไว้อาฮัตตุมอาฮัตตุมนี่สีฟ้าเนี่ยที่พวกเจ้าได้ทําสัญญาไว้ที่พวกเจ้าทําสัญญาไว้ซุมมาล้มีันกู้สู้กลุ่มชลและพวกเขามิได้ผิดสัญญาแก่พวกเจ้าแต่อย่างใดจะบอกแล้วว่ามีกลุ่มหนึ่งของของอราบเนี่ยที่เขาไม่ยอมหักหลังท่านนะบี กมนึงบนบุคูเย์มาเนี่ยที่ของของบัณุบัครบโนวาจะมีกลุ่มหนึ่งเผ่าหนึ่งตระกูลหนึ่งเนี่ยนนที่เขาไม่ยอมหักหลังพวกนี้ก็มีสัญญากับท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมสัญญาสันติภาพไม่ไม่รบไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำร้ายกันไม่อะไรกันซึ่งคนเหล่านี้ที่ไม่ได้หักหลังท่านนาบีเหมือนพวกกูเรชลก็บพวกบัณุบัคเนี่ยอัลลอ์บอกว่า ยกเว้นคนพวกนี ina, ้นะอันนี้เนี่ยให้รักษาสัญญากับเขาจนกว่าจะหมดสัญญาอินลอทุ่มลัมยังกุซเก็ไม่มีความบกพร่องใดมมอได้สนับสนุนผู้ใดต่อต้านพวกเจ้ามูมูดังนั้น จงให้ครบถ้วนแก่พวกเขาอะไรที่ครบถ้วนอาเดฮุมอาเดฮุมซึ่งสัญญาของพวกเขาอิลามุดเดตีมจนถึงกำหนดเวลาของพวกเขาแสดงว่าใครที่มีสัญญาไม่กำหนดเวลาหรือมีสัญญาที่กำหนดเวลาและบิดพิ้วกับท่านนับี นบีประกาศว่าให้ให้โอกาสสี่เดือนแต่ใครที่ไม่ได้บิดผิวกับท่านนบีและมีสัญญาที่มีกาหนดนะเราบอกว่าให้รักษาสัญญาประกาศตัดข้อผูกพันของสัญญาเดิมมานะอันนี้สำหรับกลุ่มเนี้ยถูกยกเว้นซึ่งจะมีบางกลุ่มในข้าวสมุดอราบที่จะได้ได้อภิสิทธิ์ตรงนี้ก็คือเขามีสัญญา ซึ่งเวลาของมันเนี่ยมันจะหมดเลยสี่เดือนไปอีก <fit> อ่ะอ้าวถ้าหมดสี่เดือนแล้วนี่แล้วก็เขายังยั ง, ยง Forbes ไม่ไดีพิจารณาตัวเองเอียงเองเอีงเขายัา ง, ยงมีสิทธิ์ต่อได้ตามตามสัญญาเดิมซึ่งให้เห็นนะครับว่าไม่ได้เป็นว่าตูวประสงค์ของการประกาศตัดตัดข้อผูกพันเกี่ยวกับพันธสัญญาต่างๆเนี่ย ว่าอิสลามต้องการทำลายหรือค่มคูหรือสร้างความหวาดกลัวกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมในคาบสมุทรอาหรับในยุคนั้นน่ะเปล่ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่มีจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาคนที่บิดผิวคนที่ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญานี่นะให้โอกาสสีเดือน แต่คนที่ยังรักษาสัญญาอยู่นะอันนี้ก็ให้ให้ปฏิบัติตามสัญญาซึ่งนักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยเขาบอกวา่วาสัญญากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งจะมีสองรูปแบบสัญญาของมุสลิมที่อยู่ในดินแดนของอิสลามเนี่ยสัญญาสันติภาพนะ จะมีกับมุสลิมที่อยู่ในแดนมุสลิมแล้วก็มีกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่อยู่ต่างแดนของอิสลามถ้าเขาประสงค์จะเข้ามาถ้าอธิบายภาษาภาษาภาษาปัจจุบันน่ะคนนี้ไม่ใช่มุสลิมการนี้เขาจะถือสัญชาติหรือจะเป็นพลเมืองและคนที่อยู่ ต่างแดนนิสลาแลวจะเข้าอิสซาทัศนนาอุลมาส่วนมากบอกว่าสัญญาเนี้ยควรที่จะถูกกำหนดเวลาไม่ให้เป็นสัญญาเปิดไม่ให้เป็นสัญญาเปิดให้กำหนดเวลาเพราะ็ทำไมว่าเผื่ อ, อ, อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้เขาจะได้อัปเดตสภาพของ ของคนเหล่านั้นว่าเพราะอันนี้สัญญาสัญญาสันติภาพเนี่ยให้กับคนนี้ไม่ใช่มุสลิมซึ่งอย่าลืมเคยบอกแล้วว่าอย่าลืมเหมืนตอนนั้นอนะสภาพของของโลกอะนะก็คือแบ่งขั้วเป็นสองขั้วขั้วมุสลิมแล้วขั้วดมีมุสลิมแล้วก็มีสงครามกันลตลอดคนที่ยอมรับอยู่ในรัฐอิสลามในแด น, นของอิสลามอะนะโดย ไม่เป็นปฏิปักิเนี่ยให้อยู่ได้แต่ต้องมีต้องมีข้อตกลงอิสลามไม่ได้ไม่ไม่ได้มองถึงเรื่องสัญชาติเรื่องเชื้อชาติเรื่องเรื่องเผ่าพันธุ์เรื่อ ง, องสีผิวเรื่องอะไรเป็นเป็นข้อกาหนดในด้านสิทธิมุสลิมไม่ใช่มุสลิมคนนี้มุสลิมนี่นะมีสัญชาติได้เลยเป็นพ ล, ลเมืองได้เลยแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนจะเป็นสีผิวไหนก็ตา ม, มานะก็เป็นพลเมือง แต่คนนี้ไม่ใช่มุสลิมมานะอันนั้นทีที่ควรพิจารณาแล้วผม่คยบอกว่ามันก็ไม่แปลกกับกับมาตรฐานทั่วไปที่ยึดมาตรฐานหนึ่งมาตรฐานใดในการจำแนกพ ล, ลเมือง s o u t ์ a อฟริกาอย่ามา่าด้วยกัอเมริกาเนี่ยเมื่อเมื่อไม่กี่สิบปีเนี่ยเจ้าของแผ่นดินเน่เจ้าของแผ่นดินนะเ น, นนะ่เป็นพลเมืองชั้นสองชั้นสาม สาวแอฟริกาเจ้าของแผ่นดินนะ่ะคนผิวดำ嘛นะ่ะคนแอฟริกานี่นะ่ะบางคนเนี่ยไม่ได้สัญชาติบางคนนี่บางคนนี่มีสัญชาติแต่ระดับไหนก็ไม่รู้คนผิวขาวนี่เดินบนท้องถนนนีน่คนผิวดํานี่เดินด้วยกันไม่ได้บนฟุตบาทนี่ก็ต้องคนหนึ่งต้องไอ้คนดําผิวดํานี่ก็ต้องลงก็ต้องออกอเมริกาเนี่ยรถบัสนี่มีรถบัสเฉพาะเฉพาะคนผิวขาวถ้าคนผิวดําอ่ะ สัญชาติอเมริกานะแต่คือโน่ตบัรไม่ได้นี่เมือ่อห0กว่าปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่หลายศตวรรษนะตอนนี้อเมริกายังรุ่งอยู่เลยทุกวันนี้ก็ยังมีนะห้ามเขา้าสุนัขพอเข้าใจและคนผิวดำทุกวันนี้ยังมีนะทุกวันนี้ประเทศก็เรียกว่าประเทศรีมรีมประเทศ ที่ทุกคนฝ่ายฝันจะไปทุกวันนี้ก็ยังมีแต่เอาแบบนี้เนี่ยมามาแบ่งแยกพ ล, ลเมืองมีพ ล, ลเมืองชั้นต่ำชั้นสูงเพราะสีผิวไม่เหมือนกันก็ระหว่างเรื่องสีผิวกับเรื่องศาสนาอันไหนที่มีเหตุผลมากกว่าถ้ามีการแบ่งแยกจริงนะเดี๋ยวแ ต, แต่เราจะรู้นะว่าการที่แบ่งแยกเรื่องพ ล, ลเมืองเนี่ยไม่เป็นการบัทอนสิทธิต่างศาสนก แม้แต่น้อยนะดีตสุงท่นนานบีเราหุมมาละเราหุมมาละวะว่าอะไรมาลยมีสิทธิเท่าเทียมกันหน้าที่เท่าเทียมกันสิทธิเท่าเทียมกันตรงนี้ที่อธิบายที่หลังในเรื่องอัลลอฮดิมม่าเรื่องเรื่องพันธสัญญากับอัลลอฮิมม่าคนต่างชนิที่อยู่ในรัฐอิสลามเขาก็จะเป็นพลเมืองเหมือนกันนะแต่จะมีข้อแตกต่างบางอย่างแต่สิทธิหน้าที่เนี่ยเหมือนมุสลิมไม่ได้แตกต่างกันอะไรเลย ทันหนึ่งอุลมามะีกทัทน์ัน์นึงบอกว่าสัญญาเนี่ยไม่ต้องไม่ไม่ควรกำหนดเวลาให้ปล่อยไปเลยหมายถึงว่าไม่จำกัดเวลาไปเลยทาไมไอ้พอดูดูมีอีกอัาหนึง่งอัลลอฮฺบอกว่าฟาสต์กามูลคุมฟาสต์กีมุละหุมในเมื่อในเมื่อเขาไม่แสดงปฏิปักไม่ได้แสดงความเป็นศัตรูก็ ดำรงซึ่งความเป็นมิตรกับเขาตลอดไปอว่าไม่ต้องไม่ต้องไปจำกัดเวลาข้อตกลงกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ในเมื่อเขาพฤติกรรมของเขาเรียบร้อยกบบพฤติปฏิบัติตามกฎหมายนีย่ก็ตามกฎหมายอันที่จริงแล้วการกำหนดข้อตกลงใดๆให้มีเวลามันก็ไม่ไม่ไม่ผิด หลักสิทธิที่มนุษยธรรมแต่งได้เคยเจอมาประเทศหนึ่งประเทศใดเนี่ยให้วีซ่าตลอดไปมีมาในโลกเนี่ยโลกดุนยาเนี่ยมีมหไปประเทศไหนเนี่ยวีซ่ายูสบายบสบายมีมมีอย่างเจ๋วที่สุดเนี่ยอย่างเจ๋วที่สุดเนี่ยเดือนหนึ่งโดยไม่ต้องไม่ต้องวีซ่านะอยู่แค่เดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องขอต่ออ แม้กระังสัญชาตินะสัญชาติที่เขาบอกว่าสัญชาติทั่วโลกอะ น, นะประเทศดังๆอะ น, นะสัญชาตินี่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่ามีสิทธิ์ที่จะถือสัญชาตินี้ตลอดกาลนะหลายแต่หลายประเทศที่มีความเจริญเรื่องสิทธิมนุษยธรก็มีการถอ น, ถอนสัญชาติเหมือนกันนะออถอนสัญชาติเฉยเลยทำไมอะเป็ น, ป น, ปนไปได้ไงอะ ไหนว่าสัญชาตสสสิสัญชาติจะถอนได้ไงไม่มีมเขาเขาถือว่านี่เรื่องเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องมันเรื่องความมั่นคงเรื่องผลประโยชน์ของส่วนรว ม, มก็ต้องก็ต้องดูต้องพิจารณาแต่ละคนให้วีซ่าไปแล้วแต่นึกขึ้นมาไม่ให้ละนะฮะตัดวีซา่า ม, มีก็มีเหมือนกัน <c oughs> มีเหมือนกัน มีที่เลวร้ายกว่านี้เลวร้ายกว่านี้ประเทศข่าประชากรประชากรกำลังน้อยลงแรงงานไม่พอคนกวาถนนเก็บขยะล้างจานขายหนังสือพิมพ์ตามถนนไม่มีเพราะคนของข่านี่ยเขาเขาไม่ทำกันของพวกนี้ใช่ไหมก็ต้อง ก็ต้องใช้มนุษย์นี่แหละมนุษย์จากต่างต่างประเทศนะเรียกเข้ามาให้เขามาทำงานมารับจ้กรถือว่าเออคดีนะก็เปิดโอกาสให้คนมาทำงานแต่เขามาทำงานอาชีพอาชีพอาชีพเขาเรียกกันอาชีพต่ำมานะแต่สำหรับสำหรับคนที่เขาทำหากินดูแลเรื่องปากท้องแล้วก็เลี้ยงดูแลครอบ ไม่มองต่ำไม่ตํำนี่เขาขอมีอไรายได้แต่ประเทศเรานี่ยนะเขาจะมองว่าถี่นมีอาชีพต่ำให้เขามาทำงานอมาทำงานมาทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือนให้มีความเจริญไม่ขาดแคลนเรื่องอะเรื่องการหมุนเวียนของทุนของของการค้าอะไรนี่มันจะได้มันจะได้ราบรื่นเขาถือว่าได้ได้ทำดี ให้สังชาติเขาดิยังยงยั ง, ยงให้อะไรอ่ะกินการ์ดไปก่อนเออมันก็ดูดีดูดีจนกระทั่งกิ Green card นการ์ดนี่สำหรับคนตัวโลกนี่ฝ่ฝันกันยังก็จะเข้าสวรรค์น่ะโอ้ได้กินการ์ดสังเกตนบ้านเราเนี่วนเวลาพูดกันเร่กินการ์ดยังก็จะเข้าสวรรค์น่ะแต่ข้อแท้จริงของกินการ์ดนี่ก็คือพ ล, ลเมืองชั้นสองชั้นสามอะไรหลญญาย่าง คือไม่มีสวัสดิการเต็มที่เหมือนคนอเมริกาที่ถือสื่อสินชาติอเมริกานั่นแหละอยู่กับเมืองก็อยู่จายภาษีก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะทํางานก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาทําไมขอ้อแตกต่างขอ้อแตกต่างคืออะไรแสดงว่าการจําแนกระหว่างพลเมืองในแผ่นดินเดียวกันบางทีนี่มีประโยชน์มากกว่าแต่ เนื่องจากมาตรฐานที่มนุษย์เขาวางกันเองอย่างที่ผมเคยบอกกันนะไม่เป็นธรรมเลยสําหรับคนทั่วไปและไม่เป็นเหตุผลด้วยในทางปาัญญาในทางในทางความรู้สึกในทางความเข้าใจร่วมกันตอนอยู่ร่วมกันนะ่ะมันไม่เป็นเหตุผลเลยอินละลายอับบุลมุตตะกินอัลลอฮ์ทรงชอบผู้ที่ย่ำเกรงทั้งหลายอันนี้อัยยานี้ที่ เราได้พลาดแล้วก็ไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดนะครับสรุปแล้วว่ามีอุลลามะที่ก็บอกว่าเรื่องเรื่องบรรทัดสัญญานี่จะเป็นเรื่องวีซ่าเรื่องสัญชาติเรื่องอะไรก็ตามมานะทัศนคอุลลามะส่วนมากบอกว่าให้มีกําหนดเวลาแล้วก็มีอัปเดตตลอดอีกทัศนคหนึ่งบอกว่าให้ตลอดเวลาแต่ผมบอกว่าถึงจะมีทัศนคที่บอกว่าให้ให้กําหนดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ในโลกเราใ น, ในยุคปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นเรื่องสัญชาติเรื่องวีซ่าหรือข้อตกลงใดๆเน่นะก็มีกำหนดเวลาบางทีนี่ข้อตกลงข้อตกลงที่ลงนามกันแล้วประเทศมหาอำนาจประเทศที่มีชื่อเสียงประเทศที่เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ของโลกลงสัญญาแล้วนะ่ะลงนามแล้วแค่เปลี่ยนผู้นำในบิดพิลละมันมีเห็นน่ะ และการโลกที่เจริญแล้วนี่ไม่มีใครตำหนิเลยนะก็ยังมาจับมือเป็นเพื่อนแล้วมารุมอิหร่านกันไมริกาจะได้ชัดๆข้อตกลงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ตกลงกันแล้วลงนามกันแล้วเรียบร้อยแล้วพออูบาม่าไปแล้วแทมมานี่นะไม่เอายกเลิกมีอย่างนั้นด้วยอ่าแล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยไอสลามบอกว่าข้อตกลงในใขอให้มีกำหนดเวลา แต่ในอิสลามนี่ถ้ากำหนเวลาเนี่ยต้องรักษาจะเปลี่ยนผู้นําไม่เปลี่ยนผู้นําต้องรักษาอย่าว่าผู้นํานะประชาชนพลเมืองธรรมดาถ้าทำข้อตกลงใดๆเนี่ยในนามส่วนตัวนะผู้นําสูงสุดเนี่ยถ้าเห็นว่าข้อตกลงนี้เนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐขอ ง, ขอ ง, ของสังคมทั้งหมดเนี่ยนะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของพลเมืองคนเดียวนะที่ได้ทําข้อตกลงนี้ด้วยในนามส่วนตัวนะ ตามดานั้นผมก็เล่าเรื่องซาบะสองคนช่วงที่มีสงครามสงครามกับมุสลิกินทั่วคาบสมุทรอาหรับซาบะไปไหนก็อะไร น, นี่ก็โดนอุ้มเลยอยังยังย่งมีมารยาทที่สุดนี่นะไม่ถูกฆ่านะแต่จะต้องสัญญาว่าไม่ช่วยท่านอะ บ, บีมหมาบซาบะสองสองท่านนี่เจอเรื่องนี้จริงข้ายาและยาฆ่าไม่ฆ่าก็ได้แต่ต้องถ้ากลับบ้านนะห้าม ถ้ามีเกิดสงครามได้ได้เนี่ยห้ามห้ามไปสู้เราต้องต้องสาบานด้วยเขารู้ว่ามุสลิมเขาขรักษาสัญญาอาบะสงคนนี่กลับและรายงานท่านนาบีว่านาบีเราเราตกเป็นเชลยแล้วก็เขาเขากดดันเราจนต้องต้องต้องสัญญาว่าจะไม่รบกับท่านนาบีไม่ช่วยท่านนาบีถ้าเจอกับพวกนี้ราก็ทําปฏิบัติตามสัญญา ผู้นำผู้นารัฐเนี่ยบอกเอ้เ็งไปอะไรไอะไรส่วนตัวไปทาข้อตกลงส่วนตัวฮะเอ็งเป็นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเอ็งมีอานาจอะไรนี่ถ้าแต่ตปัจจุบันนะจะจะเล่นงานแบบปัจจุบันนะนะภาษากฎหมายปัจจุบันมีอะไรมีอานาจอะไรใครใช้ทาอะนีมันติองอรมดีเนันนะบิศลาลลออและาุลลอฮฺอมุสลิมูน ตะการอดีมาอุมชีวิตของมุสลิมนะคําว่าชีวิตดีมาเนี่ยปว่าเลือดอธิบายง่ายก็คือชีวิตชีวิตตรงนี้หมายถึงว่าสิทธิของมุสลิมด้วยกันนะนะแต่ตะการเฝอเท่าเทียมกันสอบแม้ว่าคนที่แบบว่าผู้น้อยที่สุดในสังคมมุสลิมได้มีหน้าที่ทําอะไร <c oughs> เกิดจากการรับปากเนี่ยทุกคนนี่นะต้องช่วยมุสลิมคนนั้นคนลว่าเนี่ยทําข้อตกลงใดๆเนี่ยแล้วไม่เกิดมีความเสียหายอะไรกับคนอื่นนะนะสังคมทั้งหมดนี่ต้องช่วยเขาท่านนาบีพิชิตมักกะมันเป็นกฎในสงครามนะกฎในสงครามถ้าสมมุติว่าฝ่ายทหารมุสลิมเนี่ยทหารอาทหารธรรมดานะ ทหารนายหนึ่งแล้วก็เจอศัตรูนีมุสลิกนายแล้วเขาประสงค์ที่จะไม่ฆ่าจึงประกาศว่าคนคนนี้อยู่ในการคุ้มครองของฉันนี่ในทหารคนเนี้อยู่ในการคุ้มครองห้ามใครแต่คนนี้เนี่ยห้ามฆ่านะอยู่ในการประกาศด้วยนะแล้วคนนี้ไปไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนในสมุทรภูมินี่ห้ามฆ่านะอยู่ในการคุ้มครองของข้าแล้วดาบได้เขาเขายุติเขาทิ้งดาบแล้วนะ ทั้งนนอยู่ในสมุทรภูมินะอยู่ในพื้นที่ที่กําลังปะทะกันอยู่สังคมมุสลิมทุกคนเนี่ยต้องให้เกียรติคําประกาศของนายทหารคนเนี้ยนายทหารในไม่ใช่แม่ทัพนะอุมหานีลูกพี่ลูกน้องท่านนบีสุลต่านละออุลลิอุสลัมท่านนบีพิชิดมักกะแล้วก็อุมหานี่มีญาติคนหนึ่งที่เป็นมุสลิกนซึ่งมุสริมเนี่ยเคยมีบทบาทในการต่อต้านท่านนบีนะอาลีบนบีต่าลีบสัญญาใจไว้เลยว่า แต่เข้ามาก้าในคนนี ah ้นี um Så, es, war, ่ไม่รอดนกูเอาแน่พราะเข้ามาก้านอาล里มนาบิทอลิมก็เจออุมหันนี่ก็เป็นญาตของ阿里บนาบิทอลิมเหมือนกันเจอเครอยู่ไหนอะคนนั้นอยู่ไหนอ่ะอมหันนี่บอกว่าคนนั้นอย่าไปยุ่งนะฉันคุ้มครองเขาแล้วนะสากฎมานี่ก็เรียกอิจาร์โรจิวร์อิจาร์โรคุ้มครองอยู่อยู่ข้างเคียงฉันแล้วไม่เฮ้ยนี่ของกูนะใครอย่ามายุ่งนะอะไรเงี้ย อาลิบีบอกาลิไม่เกี่ยวคนนี้นี่เคยยังงู้นยังงี้เดีเจอนี่อุค่าแน่มัวห่านไปทูลท่านนบีเลยเข้าไปหาท่านนบีนบีกำลังอาบน้าอยู่อมมวหานี่เขก็ด่วนเรื่องด่วนเลยก็เลยคุยกับท่านนบีนบียังไม่นะกำลังกำลังเช็ดตัวอยู่มัวานีก็เป็นิยามนบีเหมือนกันอะไรมีอะไรก็บอกว่า อาลิบนาบิโต้ลิบอ้างว่าเขาจะฆ่าคนนี้ทั้งทั้งนี้ข้าพระเจ้าได้คุ้มครองเขาแล้วท่านนายบอกว่าก็อาจารนามันอาจารเตียอุมเหยาอุมมานีบุคคลที่เธอเธอคุ้มครองเขาเนี่ยเราคุ้มครองเขาแล้วเป็นเป็นกฎในเรื่องสงครามเนี่ว่าถ้ามุสลิมพลเมืองธรรมดาสามัญชนนะไม่ต้องเป็นผู้นําสังคมไม่ต้องเป็นคอล์ฟัปชไม่ต้องเป็นแม่ทัพนะ ถ้าได้ทำข้อตกลงใดๆแล้วข้อตกลงนี้เนี่ยมันไม่ส่งผลกระทบกับส่วนรวมส่วนรวมเนี่ยต้องต้องให้เกียรติและปฏิบัติตามอย่างน้อยเนี่ยชะลอสิ่งที่มันขัดกับความประสงค์ของผลละเมืองคนคนนั้นนะให้ผู้นาได้ตัดสินแต่แต่ส่วนคนนั้นก็บอกว่าคนนี้ฆ่าแล้วคนนั้นนะ่ะบังอาจไปฆ่านั่นแนละถือว่าละเมิดละเมิดกฎลนะละเมิดกฎกฎสงครามนะ นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งของรายละเอียดให้เห็นว่าความสำคัญในการที่จะรักษาสัญญาในสังคมมุสลิมนี่เป็นเรื่องคือมันเป็นเรื่องที่ศาสนาอิสลามเนี่ยเรียกร้องเชิญชวนให้เราเนี่ยมีให้มองให้มองว่าการรับปากเนี่ยพันธสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องศักดิ์ธร ไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวที่ต้องรักษานะ ท, ที่ให้คำสัญญามั่นอย่างเนี้ยไม่สังคมทั้งหมดเลยสังคมทั้งหมนนี่ต้องมีส่วนร่วมถ้ามันไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยนี่ก็เป็นเรื่องมีหลายเรื่องที่มันเกี่ยวกับประเด็นนีน้ในสังคมของเราเนี่ยเวลามีมีอะไรที่ที่ที่ทางองคอ์กรหรือผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะไปไปคุยกับผู้ใหญ่กับ ฝ่ายหนึ watering, ่งฝ่ายใดแล้วก็เป็นข no ้อตกลงที่ม voilà ันมันไม่ไม่ทําความเสียหายไม่เกิดไม่ทําให้เกิดความเสียหายมุสลิมควรที่จะก็ทํามันไม่เสียหายก็ควรที่จะให้เกียรติให้เกียรติทิศทางของของมุสลิมท่านอื่นนี่นี่เป็นส่วนหนึ่งของอายะที่อัลลอฮฺได้บอกว่าตาอานุอาลบิริวตะกวาจงให้ความร่วมมือกันในเรื่องคุณธรรมวัตตะกวาก็ไม่มีอะไรที่มันไม่เสียหายอะไรที่เป็นเรื่องดี แล้วอะไรที่มันจะดีกว่าการที่ให้มุสลิมด้วยกันเนี่ยรู้สึกรู้สึกดีใจท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมได้ว่ากูอัลัมุลเบรรีคุณนั่งทำคุณงามความดีที่ดีเลิศเนี่ยสุรูรุนตดเข้าลูอัลัยมุสลิมความดีใจที่ทําให้มุสลิมเนี่ยได้มีให้มีให้มีข่าวหรือการกระทําหรือคําพูดใดๆที่มันดีต่อใจเขาพอทำให้เขาแล้วเนี่ยมุสลิ พุบุญเรามักจะเข้าใจว่าเอออยากทําบุญดีที่สุดเลิ่ที่สุดเนี่ยทำฮัตฮัตนี้ก็ต้องหาทุนเป็นแสนหรือทําบุญเลี้ยงอาหารหรือทําบุญบริจาคเงินให้เยอะแต่ในโลกบุญบุญที่เลิ่ที่สุดเนี่ยให้วีนัคนุิมดีใจมันเป็น มันเป็นวัฒนาธรรมวัฒนาธรรม ร, ร, ร, รากฐานของอิสลามที่มันหายไปจากสังคมสังเกตไหมเราเนี่สุดยอดของเรานี่ให้พิพิมของเราเนี่ยเสียใจตกใจทำให้เขาตกใจทำให้เขาอึดอัดทำให้เขาเอออันนั้นอ่ะอ่าที่นี่กูก็จะสะใจแต่แต่อยู่ในโรงเรียนน่ะ เห็นนะผู้ใหญ่เ้าเ้าอุบายกันวางแผนกันยังไงคือจะได้คนนั้นตกใจแล้วน้องคน เ, เสียใจแล้วก็วางแผนกันอย่างดีแล้วนะข่าวว่าเมียตายข่าวว่าพอ่อตายไม่ตายเฮ้ยจะเอ๊ ะ, อ ะ, อ ะ, อะแต่งข่าวทั้งแต่งข่าวทั้งเมกแลก้วก็รู้สึกว่าเอสนุกจัดเป็นคลิปลง t ิกตอกด้วยมันเป็นวัฒนธรรมอ่ะ วนฒิธรรมให้คนอื่นตกใจให้คนอื่นเสียใจแล้วก็เราก็สนุกสนุกกับมันสนุกสนุกกับความเสียใจบางคนเนี่ยถึงขนาดที่ต้องร้องไห่ร้องร้องไห้ไปเลยนะเออเราก็รู้สึกเออรู้สึกสนุกไปกับเขาแต่ไมีเรื่องสนุกเลยถ้าพ้นไปแล้วนี่เดือนเนี่ยฟิเดนซารมสี่เดือนที่ต้องห้ามฮุรุมตรงนี้หมายถึงอะไรตงนี้สเดือนที่ต้องห้าม สุลกาดาสุลฮิจามุัฮัร์มและกะระจับนี่ไม่ใช่แล้วนะท่านสนาที่ถูกต้องเนี่ยสี่เดือนที่ต้องห้ามไม่ให้ไปแต่ต้องเข้าให้เขาได้มีโอกาสพิจารณาตัวเองถ้าพ้นไปแล้วอะนะเราอยู่ระหว่างการทําสงครามใครที่ไม่พิจารณาตัวเองนะอยู่ในแผ่นดินนี้ไม่ได้ f a ก t u l u l m u s h r i k นให้ประหัดประหารบุคคลที่เป็นศัตรู ที่ไม่ยอมจำนนหยาบจำนวนตัวเองที่ไม่ยอมที่จะเคลียร์ตัวเองกับพรัฐอิสลามบอกแล้วว่าเป็นเรื่องปกติพยยามสงครามแม่ทัพนี่ออกประกาศแบบนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าอายานี่นี่มีการประกาศประหัตประหารเนี่ยอายานี่มีฉายาบรรดามุฟซารีนักอธิบายอุกอันเขาจะเรียกอายะตุไซฟ์อายะ เซฟแปลว่าดาบาอาญานี่บอกว่าคนที่เป็นศัตให้ใช้ดาบอย่างเดียวใช่เหมือนในในสงครามอ่ะนะสงครามแม่ทัพออกกฎไม่เจรจาไม่เจรจาเจอใครยิ่งอย่างเดียวไอ้ดูเซฟไม่มีไ ม, ม่ไม่เคลียไม่เคลียแล้วให้โอกาสไว้แล้วสี่เดือนนี่มสงครามนะทิ้งดูได้ก็ไอ้ดูเซฟ และจะถูกใช้บ่อยท okay, ยไมที่ว่าใช้ยาของอายะเนี่ยถูกใช้บ่อยเพราะอะไรนี่นักอธิบายบางท่านนะเพราะในกุรานเนี่ยมีอายะมากมายที่ไม่ให้ใช้ดาบหรือความรุนแรงตามตางๆสนิ พ ص กเบื un, itu, aja, uh n, ่ ا ج วามร้อนจามีลาให้อดทนอย่างสวยงามอิสบิรุวะซาบิรุวะรอเบียวตูจะเย็นเย็นให้อดทนเยอะวัละมาจนถวันข้อพระค์ต่างๆที่กุรอรานจะใช้มุสลิมให้อดทนให้ใช้มารยาทที่สวยงามกับศัตรูอิสลามเนี่ยเขาเรียกอพระค์ตัวสบรื มีอายะตุไซนี่อายะเกยกับดาบฮะเจอแล้วก็อะไรประหารประหารแต่มันมีอายะที่บอกว่าเจอพวกนี้ท่าไใจเย็นๆให้โอกาสเขาอุลามมองสองสองย่างนี้สองอายะยังมีกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าอายะุไซฟนี่อายะนีที่ให้ประหารประหารเนี่ยนสิกนัสิกบอกว่ายกเลิกอายะตุซัมรุทุกอายะที่บอกว่าให้อดทน สำหรับมุสลิกีนประเภทนี้นะไม่มีอดทนแล้วประหัตประหารอย่างเดียวอันนี้หมายรวมมณีายามสงครามนะในยามสงครามในยามที่ศัตรูอิสลามทำทำลายอิสลามทําร้ายมุสลิมไม่มีไม่คุยประหัตประหารอย่างเดียวแล้วกายะที่ไอ้อดทนมันสู้ถูกยกเลิก แต่รัศนะอุลามาส่วนมากและที่มีน้ำหนักมากกว่าไม่ใช่อายะตุไซฟ์เนี่ยอายะบรหับรหานเนี่ยก็ใช้เฉพาะเวลาและสถานการณ์ของมันอายะของความอดทนเนี่ยก็ใช้เฉพาะเวลาและสถานการณ์ของมันด้วยเหตุผลว่าอายะตุไซฟ์อายะที่บราัฏบรหานเนี่ยถูกประธานลงมาในช่วงท้ายๆแล้วว่า นบีก่อจะเสียชีวิตซึ่งรัฐอิสลามเนี่ยถือว่ามั่นคงแล้วฉะนั้นใครที่จะมาบางอาจใช้ความรุนแรงใ ช, ใช้ความรุนแรงกับรัฐอิสลามเนี่ยโอ้ใครถือปืนถืออาวุธเนี่ยไปยืนหน้ากาลาโหมมีเจรจาไหมไม่ต้องหน้ากาลาโหมก็ได้รอบๆนั้นมีเจรจาไหม อย่าว่าอย่าว่าจะดําเนินข้อข้อหานี่มันติดแล้วกบฏเนี่ยไปสถานที่แบบนี้แล้วก็ล้รุนแรงกบฏไม่มีเจราจาหรืต้องไหมผมอยากจะอธิบายในในในอะไรในรูปแบบที่มีในปัจจุบันเราจะได้เห็นภาพเออในสิ่งที่กุณอ่านเนี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่เราได้เห็นกันโทษกบฏนี่ไม่มีความทั่วโลกหมีอยู่ความขัดแย้ มีคนหนึ่งถือปืนไปหน้าทำเนียบทำเนียบขาวถอยไม่ถอยถอยไม่ถอยถอยไม่ถอยเปียงล่วงเลยเ <c oughs> นียบขาวาบัตรดาเนีดีทั่วโลกอะนะ <c oughs> จะไปไหนแต่ไหนนี่ยเขาก็จะมีวงเซฟที่ไงคนสาคัญมากนี่ก็จะมีหลายวงสมาชิาบางคนนี่ยนะประธานาธิบดีสิบวงอะ แบบว่าคนที่แบบว่าระบบความมั่นคงของเขาเนี่ยอ่อนที่สุดนี่นะเขาจะมีวงใกล้ชิดที่สุดเนี่ยใครครามันใะนยิงอย่างเดียวคือไม่คุยนะไม่เตือนด้วยนะใครมาไม่ไ ม, ไม่และเป็นใครก็ไม่รู้นะเขามายิงเลยที่เคร่งกว่านั้นนะบางทีในวงที่สองที่สามนะออก็จะมี Security ที่ดูแลนะแล้วก็จะมีหลายวงก็มีหลายประเทศเนี่ยมีคน เขาถือจดหมายเขาเจอผู้นำประเทศมานี่จะส่งจดหมายนี่จะร้องเรียนอย่างไม่ทันหก็ล่วงเลยเพราะอะไรวงนี้ไม่ได้ไม่ได้เขามีเขามีเามีระบบแต่สำหรับกรณีที่ไม่ไม่มีไม่มีสถานการณ์ของสงครามอุลมัยกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้า สถานการณ์มันสงครามนี่ก็ใช้อายะเนี่อญญอยอายุตุถ้ากรณีที่ไม่มีสงครามเขาใช้อดทนเพราะท่านนาบีสุลตลานเริ่มใช้ดา่าเริ่มใช้ความรุนแรงตอนที่ไปมั ด, ดี น, นั้นมีรัฐแล้วแล้วก็อาหรับ น, นี่ก็มารุมท่านนาบีนบีก็ต้องป้องกันตัวเองก็ต้องใช้ความรุนแรงเหตุจําเป็นแต่ตอนที่นบีอยู่ที่มักกละล่ะความสามารถก็ไม่มี แตาเขาใช้รุนแรงกับก็ใช้รุนแรงนะรังแกท่านนาบีทํำร้ายท่านนาบีถึงขนาดที่ฆ่าเสาของท่านนาบีบางคนบางท่านเนี่ยถูกฆ่านะแต่นบีสั่งอดทนเ า, าเช่นเดียวกันมุสลิมอยู่ในสภาพที่ไม่มีความสามารถไม่มีปัญญาที่จะตอบโต้ที่จะที่จะป้องกันตัวเองให้ทํำยังไงให้อดทน เวลามาได้สรุปเรื่องเนี้ยวะมุสลิมนี่ก็จะใช้กฎเกณฑ์ของท่านดบีตอนอยู่ที่มดีนะในกรณีที่มุสลิมมีความสามารถมีอํานาจเหมือนที่ตอนท่านบอยู่ที่มดีนะมีอํานาจมีความสามารถแต่มุสลิมที่อ่อนแอไม่มีอํานาจไม่มีความสามารถก็ใช้กฎเกณฑ์ของท่านนบีตอนอยู่ที่มักกะซึ่งในตำํตำราตํารา ที่ผู้รู้ร่วมสมัยปัจจุบันนี้เขาเขียนกันเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักการในการเผยแพร่อิสลามในการก็มักจะมีใช้ใช้คําเนี้ยอัลอาดุลมักกีออาดเบยุกมักกีนยุกมักกะมุสลิมส่วนมากปัจจุบันเนี่ยเราเหมือนอยู่ในยุคของมักกะเราไม่มีความสามารถที่จะใช้ความรไม่มีความสามารถ สมบูรณ์ที่จะที่จะที่จะป้องกันตัวเองจึงมีความจำเป็นที่จะใช้หลักการของท่า น, นาบีในการอดทนอดทนการรังแกอดทนเท่าที่จะอดทนได้ว่าอดทนนี่ไม่ได้หมายรวมว่ า, าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการศาสนาแต่ไม่ใช่อดทนยินยดในหลักการ ก็มีบางคนนะบางคนก็เอามาบิดเบือนโอ้ยอยู่อยู่ในอยู่ในยุคของมักกะนกี่ก็ก็ไม่ตรงเข่งมากนักอะมีอุลามาที่ไปฝรั่งเศสทีวฝรั่งเศสก็ไปถามมาเลยฝรัร่งเศสเพิ่องออกกฎเพิ่องออกกฎหมายห้ามคุมขีดหยาบว่าท่านมีความเห็นยังไงกับมุสลิมที่อยู่ฝรั่งเศสนี่เป็นท่านเป็นผู้นําองค์กรใหญ่มากในโลกมุสลิม แล้วก็มาจากชาติ ต, ตาวิท ด, ด้วยแล้วก็ตัวแทนของผู้รู้แล้วนะท่านเห็นยังไงมุสลิมที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ฝรังร่งเศสอย่างงั้นเลยถามแบบตบหน้าแล้วออกกฎหมายไม่คุ้มไม่คุมม้มมีอยามนั้นยังไงเพราะว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองนี่ก็ออกซะออกไปซะคือ บางทีผลมันอาจจะถึงขนาด น, นั้นนะ่ะที่จไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ปฏิบัตินี้ก็ออกซ่าเนี่ยแต่มันก่อนนี่ยก่อนหน้านี่นมันจะมีมันจะมีขั้นตอนเข้าเป็นผู้รุ่งไงผู้รู้นี่ก็พูดตามตามหลักการนี่เออเราเราก็เหมือนสมัยท่านนาบีนี่ก็อดทนซะอดทนดีกว่านะอดมันก็พอ <c oughs> ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขเลยแย่กว่านั้นนะมุฟตีของอีบถอดเลยถอดนี่ยาบเลยถอดเลย คนเหล่านี้นไม่มีสิทธิที่จะเป็นตัวแทนผู้แทนศาสนาแทนพระเจา้าหรือแทนกุตอาน่แหละการศาสนาเลยอย่าว่าจะเป็นเป็นผู้รู้นะเป็นมนุษย์ที่ให้กำลังใจกับมนุษย์ด้วยกันแต้ยังใช้ไม่ได้เลยยังใช้ไม่ได้เลยคือเราจะเรียกร้องเชวๆให้คนอดทนนะอย่างน้อยนะเราต้องให้กำลังใจเขาแต่นี่เอาก็บอกว่าอยอมแพ้ไอ้คนแบบนี้นี่คือคนทรยศนะ เออปรึกษาดูศัตรูเขากำลังรกล้งเออเออเอ็ยอมแพ้นะยกตัวขาวไปเลยแบบนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยไม่ควรที่จะเป็นพี่น้องกันเลยอ่ะมันเหมือนเป็นเป็นเป็นไส้ศึกใครก็ไม่รู้มาเสนอให้เราเนี่ยอมแพ้ศัตรูอย่างเงี้ยง่ายๆ ง, ยงยนนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องบริบทของบ้านเมืองของเขาเนี่ยที่มีกฎหมายให้เรียกร้องสิทธิตามกลไกของกฎหมายเขาเนี่ซึ่งทําได้และก็เรียกร้องได้อย่างอย่างบ้านเราเนี่ยแต่ว่าส่วนสมมติวะ มีระเบียบโรงเรียนมาอะไรเรื่องก้อนนึ่งเขาก็ไม่คุ้มมีจับยอมไปเลยอย่างง่ายๆ่าเฮ้ยยอมไปเลยม่เคยมีโรงเรียนเฮ้ยเรียนไม่ได้นี่ออกเลยมันแค่ความเห็นของของพ อ, อโรงเรียนนะแต่ระเบียบของกระทรวงกฎหมายของบัณฑ์มืองรัฐรตมนูษเนี่ยให้คุม้มแล้วเราจะทิ้งสิทธิตรงนี้เราบอกวออกเลยคือยอมแพ้เลย ไอ้แต่แบบนี้เนี่ยเข้าคาราโอเกะไปเลยใครชวนไปกินเหล้านี่ก็เชิญลไม่ต้องลำบากขนาดนคือแต่มันง่ายแบบเนี้ยไอ้ถอดกูกูถอดถ้ามันง่ายอย่างนั้นนะ่ะนะไม่ต้องไปเท่งอย่างอื่นไม่ต้องเราต้องยอมยอมรับว่าในในบ้านเมืองที่มีกฎหมายให้สิทธิให้ให้ให รักษาเรื่องสิทธิมนุษยธรรมเนี่ยนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราต้องต้องเอาเอามาใช้ในในขั้นตอนของความอดทนคือไม่ใช่อดทนนี่หมายถึงว่าอดทนในการในการทำแล้วก็ไม่พยายามเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองท่านนบีอยู่ที่มะกาไม่ได้ทาแบบนี้ท่านนบีพยายามพูดเหมือนกันนะ เฮ้ i, ทำไมทำแบบนี้ทำไมห้ามฉันทำไมทำไม บ, บังคับฉันทำไมเรียกร้องสิทธิเหมือนกันนะ่ะมายถึว่าอดทนหมายถึงว่ายอมรับมันนะ่ะยอมแพ้เลยนะ่ะไม่ใช่แต่เรียกร้องสิทธิที่นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอดทนถ้ามันเป็นขั้นตอนในการที่จะสร้างความเข้าใจในสังคมถึงแม้ว่ามันจะลำบากทําหนังสือไปร้องเรียนไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปอะไรมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องดิ้นรน เราต้องอดทนและในเมื่อมันมันมันเป็นมันเป็ น, นกลไกที่อยู่ในโครงสร้างของของสังคมจริงของเขาว่ามันมันอาจจะยากขั้นตอนอาจจะมันจะลําบากชาวบ้านชาวบ้านนะบางทีเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านที่ไม่เคยไม่เค ย, ไ ม, เคยไม่เคยมีความรู้เนี่ยเขาก็อาจจะทําเองไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ย สิ่งเรื่นี้แต่ก่อนโนก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงอะโรงเรียนไม่ให้ลูกคุมทีม่จะโรงเรียนให้ลูกสวดสวดมนต์ตอนเช้าร่วมกันแต่ก่อนนน้นคือเชาวบ้านน่ะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าแต่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยเรียนกฎหมายไม่ค่อยอะไรเนาะมันมีแต่แล้วก็รุ่นรุ่นเก่านี่คนที่เรียนรุ่นเก่านี่เข้าโรงเรียนเนี่ยสวดเป็นมนตกันทุกคน จล้วจูบสวดเป็นกันหมดเลยเพราะเขาโรงเรียนเนี่ยเขาสวดแล้วก็เด็กจะบอก็ไม่ได้ครับพ่อแม่ก็จะไปสู้บอกาเฮ้ยเป็นมุสลิมอยังไม่มีอั น, นี่จริงนะตอน น, นตอนนั้นตะก่อนนุ่งกระแรงนะ่ะแรงแกเอาเอาเอาชื่อลูก <c oughs> อื่ารุ่นผมเนี่ยนะเอาอเอาชื่อลูกชื่ออาหรับชื่อมุสลิมเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ไมจดทะเบียนเป็นชื่อมุสลิมแะก่อนนุ่นมันก็แรงกันนกะัน แต่ใครที่สามารถทําได้ต่อสู้ได้ตรงนี้เนี่ย ก, ก็สมควรสมควรที่จะต่อสู้เพราะกฎหมายมันเอื้ออยู่แล้วคนไกในบ้านเมืองนี่มันเอื้ออยู่แล้วและการที่เราอ่อนแอในเรื่องนี้ไม่ต่อสู้ในเรื่องนี้เนี่ยบางทีเนี่ยพี่น้องต่างสาสนาโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่นะบางทีเนี่ยเขามีเขาไม่มีบางทีบางทีบางทีนะี่ยไม่มีอาคติอะไรเลยกับมุสลิมหรื อ, อิสลามไม่มีเลย เขาไม่รู้จริงๆว่าเออมุสลิมทําไม่ได้เขาไม่รู้ถ้าอบอกเขาว่ามันทําไม่ได้ทําไม่ได้จริงๆแลบางทีเนี่ยเขาเข้าใจผิดอย่างที่บอเข้าใจผิดว่าพอเห็นมุสลิมคนอื่นเขาเขาทำเขาเข้าใจว่ามุสลิมก็ทําได้นี่เขาดีความเองอันนี้อันนี้เราต้องต้องคํานึงด้วยหมายถึงว่าให้เปอร์เซ็นต์ของความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับพี่ น, น้องต่างศาสนกเออมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องชี้แจง ออยู่ดีีๆก็เขารินเบียร์รินเหล้ามาอ้าวบังเชิญเฮ้ยแต่เรื่องกุ๊ ม, ลมสลิมไม่รู้อ่ะเปลาไม่รู้จริงแต่กี่บังก็เอาบางังผมไม่รู้จริงๆแต่กี่บังก็เอาบอก็ตัวเรื่องนี้มันมันก็มีจริงในสังคมไม่เห็นไงว่าความคาดเคลื่อนนี่มันเกิดขึ้นในสังคมอยู่เราต้องเผื่อเผื่อไว้นิดหนึ่งพี่ต้องแต่สนิท หลายแต่หลายคนเนี่ยเขาไม่มีเจตนาหรอกที่จะดูถูกเ้ยมึงดูถูกกูเป่าเขาไม่ดูถูกหรอกเขาไม่เข้าใจจริงๆเราก็ต้องอดทนตรงนี้เนี่ยอดทนแล้วก็ใช้เวลาในการชี้แจ้งและเนี่ยถ้าเนี่ยตามบริบทตามตามตัวอย่างที่ผมได้ยวเนี่ยจะเข้าใจอายะห์เราอุดอิลสรบบิบิลฮิมด่าว่าดย حكمة ที่ปัญญาด่ว่า حكمة จริงะ่นี่แปลว่าโดยมารยาท ด้วยความอดทนโดวยวิจารณญาณรู้ความเหมาะสมไม่ใช่ดาวะนี่ก็หมายถึงว่าไมีมีแล้วหกม้าเนี่ยไ ม, ม่มีแล้วมีแต่ประหารปรหารอย่างเดียวประหารไม่ใช่ใชก็มีสถานการณ์กัสถานการณ์ของความรุนแรงนี่ก็ใช้ความรุนแรงไปสถานการณ์ของของ ของความไม่เข้าใจก็ใช้หลักการของความไม่เข้าใจสถานการณ์ของการเชิญชวนพูดคุยเจรจาก็ใช้หลักการของการเจรจาพูดคุยเชิญชวนซึ่งแต่ละแต่ละอายะในคุณอ่านนี่มันก็มีอะไรของมันแต่เอาอายะของความรุนแรงเนี่ยมาใส่กับมีทั้งคนนี้ไม่ใช่มุสลิมที่เขาสลับสลับเปลี่ยนนี่ไง อิสลามเขก็ประหาหรอย่างเดียวเห็นไหมอิสลามรุนแรกและมีมุสลิมมือนกันนะ่ะที่คาดเคลื่อนแบบนี้คาดเคลื่อนมานี่ว่ามีมีแต่รุนแรงอเดียวใช้รุนแรงเดียวแล้วก็มีมุสลิมอีกัางหนึ่งก็นิ่มนวลนิ่มนวลตลอดนิ่มนวลตลอดเลยไม่มีท่าทีที่จะที่จะพูดอะไรสักอย่างหนึง่งที่มันเข้าท่าหน่อยนิ่มนวลงนึ่งมันก็นนนนน ทั้งหมดนี่มันก็เกิดจากการที่เราไม่ไม่ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไม่เข้าใจและเอาความเหมาะสมของแต่ละอายะห์แต่ละคําสั่งสอนนี่มาใช้ตามตามความเหมาะสมของมันอายะห์นี่เราก็อธิบายไปแล้วนะอธิบายไปแล้วไม่ต้องใช้เวลามากนะครับอินะบอาวาสาลาาสซมนานึกผิด หลับตัวและดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและชำระอากาศแล้วไซก็จงปล่อยพวกเข้าไปที่ว่าเอ็มดุลกิยมในหนังสืออัลสล่าท่านมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องละหมาดอย่างเดียวให้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องละหมาดความสําคัญของละหมาดคนที่ไม่ละหมาดคนคนที่ไม่ละหมาดยะมา แต่ที่น่าสนใจในหนังสือเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องความสมําคัญของการละหมาดเนี่ยแล้วท่านนาเสนอทัศน์อุลลามะเกี่ยวกับคนที่ไม่ละหมาดท่านเสนอสองทัศน์ทัศน์ของอุลลามะส่วนมากที่บอกว่าคนที่ไม่ละหมาดตรงนี้เนี่ยไม่ละหมาดนี่หมายถึงว่าตั้งใจไม่ละหมาดนะไม่ใช่ปฏิเสธนะคนที่ปฏิเสธเนี่ยเอกฉันเลยว่าไม่ใช่มุสลิมให้มาละหมาด มีหรอกอิสลามไม่มีอะไรมาเฮ้ยละม า, ะมานี่มันมันแล้วแต่คนแล้วแต่เรื่องอาสาฟัดูนี่น่ะอาสาเออฟัดดูแล้วแต่คนขายาไม่สะดวกก็ไ ม, ม่ต้องละหมาดแบบนี้ตกศาสนาในทุกกรณีนะตกศาสนาปฏิเสธอันนี้ก็เขายอามรับอยอมรับว่ามันฟันดูอยู่แล้วแต่ขี้เกียตั้งใจไม่ไมีเลยละไม่ว่างขอเล่ น, นเกมก่อนดูบอลก่อนตั้งใจไม่ละหมาด สนาอุลามะส่วนมากบอกว่าไม่ตกศาสนานะแต่มันเป็นบาปใหญ่ศาสนาอิมามอับุลยมได้บอกว่าศาสนาขอิมามอที่บอกว่าตกศาสนาเนี่ยนี่คือทัศนของสัฮาบส่วนมากในหนังสืออัสลนี่โดยเอาอีบุกอัยเนย فإن تابوا أقاموا ل ا แต่ถ้าพวกเขาสำนึกผิด กลับตัวและดํารงไว้ซึ่งการละหมาดและชำระสะกดแล um ้วไส้ก็จงปล่อยพวกเขาปล่อยพวกเขานีไายถึงว่าไม่ต ing, ้องประหารประหารเพราะอายะนี้มันต right. ่อเนื่องจากอายะก่อนหน้านี้ที่ประหารประหารแล้วเมื่อเราจะไม่ประหารประหารแทบบูสํานึกก็คือรับอิสลามนี่แหละอ้อมุสลั่นดรงละหมาดสะกดฟะค์ลูก็ปล่อยปล่อยนี่หมายถึงว่าอย่าไปฆ่าเขาอามัลกัยมุลกัยบอกว่านี่ไง ไอ้คนนี้ชัดเจี๊ยว่าคนนี้ไม่ละหมาดเนี่ยอย่าปล่อยเขาพอแต่ละหมาดนี่ให้ปล่อยเขาแต่ ถ, ถ้าเขาไม่ละหมาดก็อย่าปล่อยเขาแล้วไม่ปล่อยลงโทษลงโท ษ, ลงโทษคืออะไรปราบชีวิตซึ่งเรื่องนี้ก็มีจริงกันต้องยอมรับนะครับในทัศนะยอุลยมาสวา่าเกี่ยวกับเรื่องคนที่ตั้งใจไม่ละหมาดตั้งใจไม่ละหมาดอุลยมาส่วนมากบอกว่าเขาไม่ปฏิเสธนะแต่ขี้เกียจโทษนี่คืออะไร คนที่ขี้เกียจไม่ละหมาดเขาบอกว่าสารนี่จะเรียกมาให้ละหมาดนะไม่ละหมาดจะลงโทษนะลงโทษคืออะไรคือประหารชีวิตยทันาลมาสวว่าไม่กระทั่งมสับีโทษในประหารชีวิตละหมาดแต่เขากลัวอ้าวละหมาดละหมาดละหมาดกะจบเตือนสามครั้งบางทัศนบอกว่าสามวันละหมาดไม่ละหมาดวันที่สองละหมาดไม่ละหมาดวันที่สม ละหมาดไม่ละหมาดละหมาดเป็นฟอรดูเป็นฟอรดูแต่กูไม่ละหมาดไม่ว่างประหารชีวิตและเสียชีวิตในฐานะเป็นมุสลิมนะอันนี้ได้สละอุละมัสวนมากนะยกเว้นมัสฮัรฮานาฟีมัสฮัร์ฮานาฟกวไม่ไม่ประหารชีวิตคุกอย่างเดียวละหมาดไม่ละหมาดเออผมอยู่ในคุกนี่แหละตนกว่าจะอยู่ในอยู่ในห้องนี่แหละ จนกว่าจะสำนึกไม่บราณชีวิตอยู่อย่างงั้นอ่ะเตือนไปเตือนมาให้สำนึกนี่มาสะพานนาฟีนี่ทั้งหมดเนี่ยของคนที่ไม่ปฏิสเสธนะของคนที่ละตั้งใจไม่ละหมาดแต่ขี้เกียจอ่ะแต่อยอมรับพวกกันละหมาดในเป็นฝรั่งดูแต่ไอ้บางคนขี้มันได้บอกว่าแต่ส่วนละ صحاب ส, ส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งคนที่ขี้เกียจตั้งใจไม่ละหมาดตั้งใจไม่ละหมาด ไ ม, มุสลิมแล้วเขตั้งคําถามในหนังสืออสัสซาลาเนี่ยก็ตั้งว่าเป็นไปได้ไงเขาบอกขอถามศาสนอัลลมา ส, ส่วนมากที่เขาบอกว่าคนที่เขียนไม่ละหมาดแล้วก็แล้วก็ครูวทําไม่ละหมาดในประหารชีวิตนะ่ยแล้วก็ยังไม่ยอมละหมาดเนี่ยไอ้นี่อะไรหัวใจเขานี่ทำด้วยอะไรอะดื้อขนาดนั้นนะ่ะโทษประหารยังไม่กลัวเลยนะยอมตายแล้วไม่ละหมาดคนแบบนี้ไม่น่าจะเป็นฮุสต้า ทั้งนี้ในหนังสือเนี่ยหนังสืออัลสล่านี่มัลลุไคม์ัด้บอกศาสนาอุลามะส่วนมากที่บอกว่าคนที่ขี้เกียจไม่ละหมาดและยอมรับว่าละหมาดนี่เป็นฟรดูการกระทํำของเขานี่คือการที่เขาไม่ละหมาดเนี่ยไม่ทําให้เขาตกศาสนาแต่ถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่สุดร้องจากชิริกเลยนะชิริกนี่คือตั้งบากีนี่เป็นบาปใหญ่ออกจากศาสนาเลยนะ ร้องจากนั้นแต่ไม่ออกศาสนานี่ก็คือไม่ละหมาดอมตะไห้มบอกว่าใหญ่กว่าผิดประเวณีทําศีลนะัใหญ่กว่าดื่มสุรากินเหล้ากินขมัดื่มขมัดใหญ่กว่าขมโมยใหญ่กว่าเนรคุณพ่อแม่ใหญ่กว่ากินดอกเบีย้ยดูนั่นแ ต, แต่ละใหญ่แต่ยะแต่แต่ละบิ๊กนี่บิ๊กบิ๊ ก, กงนั้นนะ่ะทิ้งละหมาดอีกใหญ่กว่านี้หมดเลย ผมจำได้ในี่เมื่อ20กว่าปีนี้เอานี่ยเอาเนี่ยอันนี้วนนความน่าเกรงลมัมากปีน้องคนที่เอาผมไม่เอาล้วทัศนะาที่บอกว่าเป็นคาเฟน่นี่ผมไม่ผมไม่ทัศนาอ่ อ, อนทัศนาที่มีน้าหนักมากกว่าของอุลามาส่วนมากนี่ก็คือไม่ตกศาสนาแต่หารู้ไมมว่าบาปที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่บาปธรรมดานะมันบาปใหญ่กว่าจินาใหญ่กว่าขโมยใหญ่ โอ้โหประเทศไทยแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนักกุชาการโทรมาช็กอะไรพูดอะไรแล้วก็มีนักกุชการออกมาตอบโต้ผมเลอะเทอะทิ้งละหมานี่บาปใหญ่ใหญ่กว่าทําซีนาเลอะเทอะเอามาจากไหนเนี่ยจนมีนักกุชาการที่เขาสุภาพหน่อยนะคุ้นจักไหนักกุชาการสุภาพเช็คที่ผุดยเอามาจากไหน ก้จารย์ไปดูเลยหนังสืออัลสลามอลกัยมหน้านี้นะครับครับครับครับคับคนมากครับไปถามคนทั่วไปเนี่ยไอทีทิ้งไอทีทิ้งละหมานี่แบบแบบทำอย่างแกเขียวหมักฝรั่งทิ้งละหมานี่อย่างกับฝรั่งอย่างก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเคยมีใครสอนไหมว่ะที่เองทิ้งละหมาดเพียงวัตตูเดียวนะไปดูบอลโลกไปเล่นเกมไปนัดแฟนไปอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระเนี่ย ตั้งใจไม่ละหมานเนี่ยยิ่งกว่าที่เองทำสีหนาเนี่ยเคยมีครูบาอาจารย์สอนแบบนี้คือถ้าสอนแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเอาทัศนะโน้นนะที่บอกว่าไม่ละหมาดตกสนะไม่ต้องเอาไม่ต้องเอานี่แหละเอาทัศนะนี่แหละแต่สอนให้หมดบาบใหญ่ไม่ต้องทัศนะแต่บาบใหญ่ขนาดไหนอ่ะเองเคยทำสนะีหนาอุ้ยเค ย, เคยขโมยไม่กินเหล้าก็ไม่เคย ที่ทิ้งละหมาดเนี่ยมักง่ายทิ้งละหมาด น, นี่นัน่นใหญ่ยยกว่านี้ทั้งหมดเลยเอาแค่นี้มาสอนเนี่าโอนโอเคนี่นก็บพอลแล้วแต่คือคือนิ่มนมในการเช็คเซตคุดเนี่ยนักเซอร์วิซอร์คนนี้าก็บอกว่าที่จริงนี่อายะเนี่ยไม่ได้ไม่ได e, ไม้ได e มาพูดเรื่องทัศนะของคนที่ละหมาดหรือไม่ละหมาดแท้จริงน่ยของอายะนี่นะอายะนี่กําลังกําลังกล่าวถึงหน้าที่ของคนละเมืองที่เป็นมุสลิม ประเทศที่จเจริญแล้วเขาจะสอนผละเมืองพลเมืองคนดีเนี่ยไม่หนีภาษีรักษากฎจราจรเคารพกฎหมายกฎกติกาพลเมืองคนดีใช่้หเราเห็นใครหนีภาษีทุจริตโกงเงินส่วนกลางไม่เคารพระเบียบกติ ก, กากฎหมายบ้านเมือง พลเมืองคนพลเมืองเลว ม, ม, ม, ม, มีสองคนแบบนี้เนะี่ยบนแผ่นดินนี่แผ่นดินเะนี่ยสุดเลยเซลก็บอกว่านี่กําลังกําหนดคุณสมบัติของพลเมืองมุสลิมละมาดนี่นนี่เป็นสิทธิของพระเจ้าซึ่งมันจะสื่อถึงเรื่องคุณธรรมเรื่องมรารดกเรื่องละมาดนะ เราเคยพูดถึงเรื่องความสำคัญของเรื่องละหมาดในการที่จะให้เรามีมารยาทแม้กะระทั่งมาเรยาียรักษาสัญญารักษาเวลาฮะรับตากอะไรเนี่ยละหมาดนี่จะอบรมเราอย่างดีเลยคนที่เคร่งคัดในเรื่องละหมาดคนที่ไม่ทิ้งละหมาดนี่ก็จะเป็นคนเที่ยงตรงไม่เสียไม่เสียนะัดสามโมงสามโมงสามโมงเอาสามโมงเช้าหรือสามมง ห่างกันหกชั่วโมงห่างกันหกชั่วโมงเลยบางทีนัดสามโมงมาสี่โมงเนนิดเดียวชั่วโมงนิดเดียวไปดูเลยส่วนมากนี่ก็เรื่องละหมานนี่ก็ยืดยุ่นสะการสะการนี่พลเมืองมุสลิมที่ไม่เห็นแก่ตัวเอาเงินส่วนรวมเนี่บำรุงช่วยเหลือคนอื่นสังคมจะได้จเจริญอยู่ได้ เศรษฐกุบอกว่าเนี่ยพลเมืองคุณสมบัติของพลเมืองมุสลิมมันต่างกันนะกติกาของของกฎหมายของบ้านเมืองของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นเรื่องเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องระเบียบคุณธรรมนี่มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีคุณธรรมศิลธรรม ถ้ามุชลิกีนคนหนึ่งที่ได้โอกาสแล้วสี่เดือนจะได้พิจารณาตัวเองว่าอาจจะอยู่ในรัฐอิสลามจะรับอิสลามหรือจะไม่รับอิสลามจะจะรับอิสลามนี่ก็อยู่ได้นกนข้าวสารสอรันนี้อยู่ได้นี่พูดถึงเฉพาะอัลลับนะที่สการ์จวิตนะเจ่อจงไว้แล้วนะอธิบายนะเอ ดูคนที่เหมารวมแล้วก็นี่งามประหัตประหารมันรายละเอียดเยอะแตเอ็งเอาแก่อายะนี่แล้วก็มาเหมาให้คนเข้าใจอิสลามผิดๆนี่ไม่ไม่บริสุทธิ์ถ้าอาหรับที่สการาจวิตบอกว่าฉันไม่ไม่รับอิสลามไม่เอาอิสลามหากไม่เอาอิสลามนี่อยู่ในครับสมุคมอาหรับไม่ได้แล้วนะเป็นเป็นพลเมืองไม่ได้ต้องต้องออกไปอยู่ที่ปลอดภัย แต่ฉันยังขอเวลาศึกษาอีกทีหนึง่งฉันยังขอเวลาไม่พอสีเ่เดือนฉันยังยังยังศึกษาขอศึกษาและยอย่างไม่เอาแล้วฉันไม่เอาอิสลามแล้ ว, ลวไม่ศึกษาด้วยแต่ฉันขอไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยที่มัชชารัฐอิสลามรัฐอิสลามเนี่ยต้องอำนวยความปลอดวกให้เขาไม่ใช่ว่าตัดข้อผูกพันแล้วก็เออเอ็นจะ ไปไหนก็ไปไปตายอังไปตายไม่ไม่เกี่ยวกันแล้วยังมีข้อผูกพันที่ต้องรับผิดชอบัล้วในพระวว่าอินอัดุมินอลมุชรีกินอัสต์จารักฟะอจิรุ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم ق و لا يعلمونو أ, أ, أ, أ, إ ن و إ ن อ ح د لا هAGO إن ه ق و o أ ح د خندعي من المشركين نمو مشرك مو مشرك ا س ت ج ا ر ك ده خ و َ هاي جاؤ هاي ت َ ن ب ي ِ ي خ و َ هاي ت َ ن ب ي ِ م ر س ت ج ا ر ك خ و ْ ق َ ك م ْ ر ف أ ج ر ه ก็จงคุ้มครองเขาที่ حتى มอ م ع كلام الله حتى يسمع จนกว่าเขาจะได้ยินได้ยินตรงนี้หมายถึงว่าเข้าใจได้ยินอุษย์อันคลายัลลอฮฺดัมรัดของอัลลอฮฺได้ยินและเข้าใจดัมรัดของอัลลอฮฺก็คือศึกษาถ้ามีมุชริกีเนี่ผมขอเวลาศึกษาผมยังไม่เข้าใจผมขอ ส, สอบถามหน่อย หมดแล้วนันสี่เดือนแต่เขาขอความคุ้มครองคือถ้าอยู่ในสี่เดือนไม่ต้องคุ้มครองมีความคุ้มครองอยู่แล้วแต่นี่มันหมดแล้วสี่เดือนเอพขอความคุ้มครองหน่อยขอเพิ่มเวลาหน่อยเพราะยังไม่เข้าใจตรงเนี้ยไม่เข้าใจเรื่องนี้สับสนมากเระฝยอจิรุจงคุ้มครองเขาไม่พอนะ حتى يسمع كلام الله จนกว่าเขาจะได้ยินดํารัดได้ยินได้ยินแล้วพอโอเคเธได้ยินแล้วพอเนี่ยนะทุกคนก็ได้ยินกุูอ่านนีงสืเรียบร้อยแล้วมุสลิมแล้วนี่โ อ, โอเปิดกุูอ่านกันทั่วทั่วโลกเนี่สบายฮะช่องช่องมักกะนี่กูอ่านยีบสชั่วโมงเลยนะโลกนี้มุสลิมทั้งทั้งปวงแล้วอยาสมาร์ตต้อยสมาร์ยย ได้ยินตรงเนี้กับหมายหนเข้าใจเพราะอัลลอฮฺสุบฮานวาวะตาละตั้งสมมติฐานสําหรับคนบริสุทธิ์สําหรับคนบริสุทธิ์นะว่าเอาไว้ยวะของเขาทุกส่วนเนี่ยสมบูรณ์แบบแค่ได้ยินนะ่ะนะได้ผลนึกออกปะคนที่บรินะสุทธิ์นะอัลลอฮฺตั้งสมมตานแค่ได้ยินเนี่ยเขาก็จบแล้วเขาเชื่อแล้วแต่สําหรับ สำหรับมนุษย์เราอะนะเราก็รู้กับรู้กันแก่ใจอะนะได้ยินเพราะคนมีกิเลสคนหนึ่งไม่ตั้งใจคนหนึ่งไม่บริสุทธิ์คนนึงไม่ประรานนาดีคนนึงอะได้ยินอย่างเดียวมันมันไม่ไม ร, อไมรอดรอหรอกเราก็ใช้กันเห็นทะเลาะกันฟังคนฟังคนคือถ้าหากว่าเราเป็นนักฟังอนะี่ะถ้าเราได้ยินแล้วก็ฟังดีนะไม่ถึงขั้นที่ต้องทะเลาะกัน แต่นี่ถ้าเราฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนไม่ฟังแล้วอวัยวะของเราทุกอวัยวะเนี่ยถ้ามันทําหน้าที่ตามหน้าที่นะตามหน้าที่นะมันจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นหูนี่ไว้ได้ยินสมองนี่ไว้คิดอันที่อัลลอฮฺสนิฐานาว่าพัดแต่สมาร์คือถ้าเขาได้ยินได้ยินแล้วเนี่ยมันถึงสมองสมองทําหน้าที่ทุกส่วนนี่ทํางานแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัว แต่ปัญหาว่าเราเราจะให้อวัยวะบางส่วนทาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไม่ทำหน้าที่ตานี่อ่านคุรอาหูนี่ก็ได้ยินคุรอาแต่ใช้สมองใช้หัวใจในการพิจารณาคุรอาไหมอันเดียวกันเลยคนที่คนที่ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ก็เรียกว่ า, ว, าว่าเขาหูนวกที่จริง ถ้าหูหนวกจริงอะนะเราไม่เอาโทษเขานะถ้าหูหนวกจริงไม่ดีนะเราไม่เอาโทษอุลลามะกับคนที่หูหนวกตาบอดนี่นะถ้าตายเป็นกาเฟตตายเป็นกาเฟตในวันเกียร์มาเนี่ยไม่ไม่ฟื้นฟูไ ม, ไม่ไม่ถือว่าเป็นกาเฟตอัลลอฮฺจะสอบสวนอีกทีหนึ่งสอบสวนมีมี ม, มีมีสอบเฉพาะมีสอบพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่สอบเก็บคะแนนนะั้นสอบใหม่เลยแล้วก็สอบแป๊บเดียวด้วย คนละที่อยู่ในโลกตัวนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาโทษทําไมอ่ะหูหนวกตาบอดเอาไว้ว่าของเขาเนี่ยไม่สมบูรณ์ที่จะรับรู้ความจริงสัจธรรมแต่แล้วทาไมเรียกกับ ค, คนที่ปฏิเสธไี่กว่าตาบอดหน้าละตามารับซอ้อนตาบอดหัวใจบอดหูหนวกอันนี้เขาก็ได้ยินนะเขาก็เห็นนะ เหมือนกันเลยบุคคลที่ศรัทธาแล้วเนี่ยเป็นมุสลิม嘛นะแต่เวลามาใช้ประโยชน์ในการที่จะศึกษาเรียนรู้คําสั่งดารัสของรัสฟาโนอาดาล่เนี่ยเอาไว้ว่าบางส่วนทํางานส่วนอื่นไม่ทํางานมันก็มีผลใกล้คเคียงกับผลที่เกิดกับคนที่ปฏิเสธศรัทธาฟังกุตอ่านอ่านกุตอ่านแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์สมัยท่านนาบีนะมุชลิมเนะีฟังนบีอ่านกุตอ่านฟังนบีเชิญชวนอ่านคุตอ่านเชิญชวนแต่ไม่มีประโยชน์ เราก็เหมือนกันมุสลิมนี่ก็เหมือนกันเวลาอ่านกุรรอานอ่านข้ดีคำสังสอนของศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติแต่ไม่ไม่ทำตามมันก็คือผลข้างเคียงหรือมันใกล้เคียงกับสิ่งที่มันเกิดกับสำหรับสหรับมุสลิกินแต่อายานี้เนี่ยมันให้เห็นนะครับว่าสิทธิของคนที่เป็นปฏิบัติกับอิสลาม ตราบใดเขายังมีปรารถนาที่จะศึกษาหนุ่มเขาต้องรับความคุ้มครองซุมมาอับเลกฮุมะมะน่ะและในขณะที่เขาไม่ประสงค์ที่จะศึกษาไม่ประสงค์ศึกษานี่อยู่ที่นี่ไม่ได้นะอยู่ในอยู่ในรัฐอิสลามนี่ไม่ได้นะได้ไม่อูไปที่อื่นอบับเลกฮุมะมน่ะแล้วจงส่งเขายังที่ปลอดภัยของเขาไม่อยู่ เออเอ็งไม่ต้องอยู่เอ็งไปไปตา ย, ยจะไปไปไหนก็ไปไปตายเลยไม่ต้องไปส่งเอาผมจะไปประเทศนี้ประเทศนี้ปลอดภยัยไหมไม่ปลอดภัยเนี่ยรัฐอิสลามเนี่ยต้องหาที่ปลอดภัยให้เขานะสม บ, บัติเรียกฮุมามะนะ่ะทําไมอ่ะให้เหตุผลยังยังให้ยังให้เครดิตกับคนที่เป็นศัตรูกับพระเจ้านะะะาาลานนลลาาลกกบออัันนนนนมมู่็เพระ ว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่รู้เขายังไม่รู้นบีมองเขาว่าเขายังไม่รู้ให้โอกาสเขาผมจะอ่านข้อความหนึ่งในตัสยิริมนิกาซีรที่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องการให้ความคร่งครองวัลกรดูยามนิกาซีร์ ว, ว, วัลกรดูวัตุประสงค์ในไอ้เนี่ ย, ยอันมันก็ดีมดาเหมือนได้ในรบผู้ใดที่มาจากดินแดนของศัตรู ยามสงครามหรับสงครามอิลัดาร์อิสลามมายังดินแดนของอิสลามฟูอดานริษัทโดยมีหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดเอาติดจารดินหรือการค้าเอาต ل ج ج س س ب สุลหินหรือเจรจาในการสร้างสันติภาพเอามุฮาดนดินหรือยุติ การทำสงครามเอาห้ามลิียตินหรือได้นำภาษียากรนำผลประโยชน์มาให้ครั้งของรัฐอิสลามเนี่ยเอา نحوذلك มีหลายสาเหหรือเหตุใดเหตุหนึ่งใกล้เคียงกับที่ระบุข้างต้นนี้ฝ่ตละบามินอิมามโดยเขาเรียกร้องจากอิมามนี้ก็หมายถึงว่าผู้นำสูงสุดเอานออิบีหรือตัวแทนที่เป็นเจ้าหน้าที่อามานันความปลอดภัยจะได้ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวหน้าที่ดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องศึกษาศา ส, สนาอย่างเดียวนะนหลายเรื่องนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดทำให้เกิดประโยชน์กับรัตอิสลามอุฮตียะอามานันจำเป็นสําหรับผู้นํารัตอิสลามเนี่ยต้องให้ความปลอดภัยมาดะมามุตรรดีเดนฟีเดรอิสลามตราบใดเขายังเขายัง สัญจร อ, อยู่ในบนผืนแผ่นดินของอิสลามมะนะกระหม่อมทว่งอนวีซ่าความปลอดภัยนะวีซ่าว t าแต่ยอร i เ a ียอิแลมแมเน a ยโอตอนนี้จนกว่าจะกลับไปที่ปลอดภัยเดิมของเขาซึ่งที่ปลอดภัยเดิมของเขาเนี่ o อาจจะเป็นประเทศที่เป็นศ t ตรูกับปฏิทรามก็ได้นะอัลวอตอนนี้หรือบ้านเกิดของเขาแล i n ก็เรื่องนี a ta t ว่า ر و ل و ا لا يجوز أن ي م ك ن من الإقامة في دار ل ا س ت ل ا م س ن ه م ب ن د في الإسلام، ا ي ك سنة، لا ي سنة، ل ي س و ل ج و ز أن ي م ك ن من ا م ة ه ق ا من ة أ ر ل من ر ب ع ة أشهر، ا ي ه ر ا يعيش أ ن لا ي م ا ك من ا ي من ة ا ك من لا ي أ من ا ي ك من ة أ ر ا من ب ع ة أشهر، ا ر ب ع ه ا ش م ة ه ر ي ب ش ر ي ก็เหมือนทั่วไปในวีซ่านี่มีแค่นั้นแล้วก็อยากจะอยู่ต่อนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรต่อวีซ่าไม่ไม่ไม่ต่างกันเลยนะต่อวีซ่าซึ่งอุลามาว่าน้อยกว่าสีเดือนหรือมากกว่าสีเดือนก็ยังมีความขัดแย้งรองอุลามาสรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีตัวบทชัดเจนนะว่าวีซ่าจะให้เข้าเข้ามานี่ นี่นี่ไม่ได้พูดถึงประเทศกับประเทศที่เขาไม่มีสงครามกันนะไม่ใช่ประเทศสองประเทศที่มีสงครามมันมีคนละเรื่องเลยนะนี่ก็สองประเทศประเทศมุสลิมประเทศที่ไม่ช่มุสลิมที่ที่กำลังรบกันนะ่ะกําลังตัดกันนะแล้วก็มีคนหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมที่อยู่นะั่นแหะฝ่ายศตรูนะโ อ, โอ้สต๊อปสต๊อปขอเข้าไปขายผักหน่อยจะขายวัวหน่อยจะไปซื้อวัวหน่อย ไอ้คุยหน่อยมีคุยจะมีเรื่องเรื่องอาจจะเกิดสันติภาพเอามาเลยหรือเรื่องอื่นใดๆที่มันไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นไม่เป็นอันตรายเป็นวัตถุประสงค์ที่มีเหตุผลอ่ะนะให้ได้ย้ํห น, น่านี่ประเทศที่เป็นเป็นดาร์ฮาร์บินเป็ น, เ ป, นเป็นประเทศที่มีสงครามกันนะกำลังรบกันอยู่นะยังให้ได้เลยอ่านบทความนี้เนี่ยให้คนที่มาอ่านไอ้เ น, น, นี่ย อ้ติบอา่ยวันนี้เราดูมุสลิมในระวัติศาสตรกันว่าไอ้ที่ฮกถัดมาจากอายะห์ของอยุซนในอายะห์ที่สามที่สี่เนี่ยประหารประหารนะเจอมุสลิมประหารประหารออกมาอธิบายนี่แต่ซิริมนกะซิรเป็นเป็นการอธิบายกุตัานที่น่าเชื่อถือสูงสุดในบรรดานักปราดทั่วโลกมุสลิมไม่มีใครไม่รู้จักซริกะซร อ่านี่คนเขาจะโอ้ท่านท่านเขาจะผิดแน่นอนท่านไปอ่านอายะห์ไรแล้วก็เอาสำนวนสำนวนแบบกระชับกระชับสั้นเนี่ยมามาตีความแล้วก็ตีความอายะอื่นๆแล้วก็ไม่ได้เอากอธารอธิบายของของปราฏิมุสลิมที่เขาเข้าใจมากกว่ามาเออมาชั่งดูเออของวันนีมันใช่หรือเปล่าอ่าถึงบอกว่าเรื่องนี้เราเราเร า, เราต้องพยายามศึกษาให้ดีแล้วก็มี มีความลึกซึ้งเราก็มีหน้าที่ทุกคนนะในการที่จะนำเรื่องนี้เนี่ยไปบอกเล่าไปไปแก้ข่าวไปอธิบายไปชี้แจงให้คนเดียงไม่เข้าใจศาสนาว่านี่ไม่ใช่นะศาสนานี่ไม่มีไม่มีวสั่งให้ประหารประหารคนที่ไม่ใช่ลิมอยู่ดีๆอยู่ด้วยกันอย่างเงียบประหาดประหารไม่มีอะไรบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นที่บ้านเรายังไม่เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นที่ประเทศ ยุโรปมันเป็นอาเชกรรมธรรมดาคือมุสลิมกับมุสลิมทะเลาะ ก, กันนะปรากฏว่าคนนี้มายุมุสลิมเป็นเหยือ่ออย่างมุสลิมไปฆ่าเขาคนนี่ไงนี่ไงมุสลิมนี่ฆ่าเพราะอะไรเพราะเ็ามีคำสั่งสอนให้ประหารคนนี้มายุมุสลิมนี่สรุปง่ายง่ายเงอันนี้มีการตีความแล้ว แล้วก็เกรงเกรงว่านี่บ้านเราเนี่เราต้องพยายามเราต้องทุกคนเนี่ยต้องพยายามนะพูดคุยมีโอกาสไปชี้แจงในโซเชียลในต่างๆเราจะได้ไม่ไม่ไม่เกิดความคาดเคลื่อนที่มันเกิดที่ประเทศยุโรปอ่าประยุโรปนี่อิสลาู โ, โฟเบียนี่มันโอมันงอมงอมแล้วพวกขวาจัดพวกขวาจัดนี่นี่ขึ้นมามาตั้งรัฐบาลแล้วหลายประเทศแล้วอืมไม่อยากนึกภาพเลยนะว่า ว่านายไอ้นี่จะมาเป็นนายกอ่ะคือมันเป็นเป็นไม่ได้เพราะปัญญาชนคนไทยโดยเฉพาะชาวพุทธนะคงคงไม่ยอมหรอกแต่ถ้าเราไม่อธิบายทีย่จะอธิบายไม่ต้องทะเลาะนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปไปฟัดกับเขาชี้แจงอธิบายนี่ง่ายที่สุดดีที่สุดแล้วก็เวิร์กที่สุดชี้แจงอธิบายคนเข้าใจาแล้วผมคิดว่าคนส่วนมากบ้านเราเนี่ยเป็นปัญญาชนเป็นคนที่ฟังด้วยเหตุด้วยผล คือบางทีเนี่ยเขาพูดอะไรบางอย่างเนี่ยความที่แบบว่ามันไม่น่าเชื่อเนี่ยบางทีเราไม่ต้องตอบดูซ้ําอะไรที่เบาพูดแล้วมันนี่มันนี่น่ามันไม่น่าเชื่อว่าทําไมอ่ะมุสลิมนี่ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ต่างต่างดาวหรืออยู่อยู่คนละมุสลิมนี่อยู่กับคนพุทนี่คุกคีด้วยกันน่ะบ้านก็ติดติดกันน่ะทํางานด้วยกันน่ะเดินถนนขึ้นรถเมล์ก็ด้วยกันน่ะเขาก็เห็นน่ะมารยาทของมุสลิมเป็นยังไง บอกนี่งไงมเรียกมุสลิมเนี่ยประหัรประหารคนอื่นนี่ไม่ใช่มุสลิมแข่นี้เขาก็ทีก็ฟังไม่ลงแล้วแต่เราก็ต้องมีหน้าที่ต้องชี้แจงอธิบายมากกว่านี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดผม ว, ว, ว่าสิ่งที่มันสิ่งที่มันทําให้เราได้อุ่นใจมีหลายอย่างนะแต่มันก็สิ่งที่ ส, ทสิ่งที่อาจจะทําให้เราต้องกังวลบ้างอนะ น, ะนี่พมา่าพมา่าเนื่องจากว่ามุสลิมที่ประเทศพม่าเนี่ย คือพยายามพยายามแยกตัวจากสังคมเรื่องนี้ผมได้ยินมาจากมาจากพี่น้องคนโรฮียาเองนะพี่น้องโรฮียาเองเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ที่พุทธพุทธที่พม่าเนี่ยไม่ชอบมุสลิมเลยเนี่ยเพราะมุสลิมเนี่ยแยกตัวออกจากสังคมไม่ยอมรับไม่มีธงชาติไม่มีไม่มีสั ญ, ญลักษณ์ของรัฐของอะไรนี่กติกาอะไรเนี่ย ก็้วบอกเท่ากับเ้ามองเ้ามองมุสลิมว่าเขาไม่เขาไม่เอาเราไงไม่อยากอยู่ร่วมกับเราไงอันนี้เป็นเหตุผลอันนึงอะ่ะ ไ, ไม่พูดคุยไม่ไม่ไ ม, ไม่คือไม่มีการเจราจาสนทนาอะไรเลยอะนะ่ะทำให้เขาไม่เข้าคาดเคลืนกันเนี้ยอันเนี่ยเป็นสาเหตโอกาสโอกาสที่เราได้พูดคุยอ่ะนะและอย่างน้อยอย่างเริเริ่มเขาจะฟังไม่ฟังในเรื่องเขา เรื่องที่ผมพยายามพยายามตั้งแต่ตั้งแต่ ง, งานสลามสลามชาวไทยเนี่ยคืออยากจะอยากจะให้อยากจะให้คนเ้ามองมุสลิ ม, มเจตนาของมุสลิมว่าเราว่าเราไมไ่ไม่ได้แสดงรักรักสันติภาพนะไม่ได้แสดงนะไม่มันอยู่ในเนื้อหาของคําสัง่งสอนสันติภาพนี่มันอยู่ในเนื้อของอิสลามอยากให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ด้วย มารยาทของเราด้วยการดาว่าของเราการประพฤติความประพฤติปฏิบัติของเราครับแล้วมันมีผลผลคนที่คุ๊กคีกับเราแล้วก็เห็นบางทีไม่ต้องดาว่าเขาเนี่ยเขาเห็นความสวยงามของอิสลามเนี่ยเขากลับอิสลามอะไเรื่องเรื่องที่น่าเล่าเกี่ยเรื่องนี้แม้กระทั่งในประเทศยุโรปนี่ก็เกิดขึ้นความประพฤติที่ดีงามมันเป็นการดาว่าในตัวนะครับอุสสลัลลอฮฺอัลัลฮบินามุฮัมมัดุณะลัยอัสซัมบิอุสสลัมุสซาลาムอะลัยุมุรรา ตั้งใจว่าจะไม่พูดก็จะพยายามพยายามแยะหน่อยกวนหลุดความเสียใจมันต้องควบคุมควบคุมอารมณ์แต่บางทีเนี่ยพฤติกรรมของคนบางคนในบางสถานการณ์ทำให้ทำให้เราควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็พยายามอ่ะนะเจ้ากรดอวีนี่โดยเอกฉันเอกฉัน ว่เอกฉันนี้หมายถึงว่าไม่มีข้อยกเว้นเลยนะสำหรับผู้รู้สำหรับสำหรับมุสลิมที่เข้าใจศาสนาเนี่เอกฉันเลยว่าเป็นผู้รู้ระดับทอบ็ทอปๆเป็นคนที่ฟื้นฟูอิสลามเป็นคนที่ปกป้องอิสลามเป็นตัวอย่างของอุลมามะที่ไม่หากินกับศาสนาไม่ขายตัวกับนักการเมืองกับนักการปกครอง เ, อเสียสละท่านเสียชีวิตเนอายุ90 p o l i c